เวลาหน่อยหนึ่งเรื่องเวลาที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นตามที่จริงเวลานี่เป็นเรื่องของสมมติมันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าไม่มีเวลาเราก็ทำอะไรไม่ได้ตามเวลาตามที่กําหนดเวลามีไว้สาหรับที่จะกําหนด ให้เราทำนั้นทำนี้ไม่ใช่มีไว้สำหรับที่จะยึดถือแต่แล้วเราก็เข้าใจผิดเราเข้าไปยึดถือในเวล า, วาเวลานี้มันคืออะไรเหตุเกิดของเวลาเกิดมาจากไหนดับเวลาเราจะดับมันยังไง หนทางหรือวิถีทางแห่งการดับของเวลาเราจะปฏิบัติอย่างไงน น, นนี้ก็เกี่ยวกับอริยสัจเหมือนกันแหน่งเวลาช่องเหตุเกิดเวลาสามความดับเวลาที่หนทางให้ถึงความดับของเวลาทีนี้เวลาที่เกี่ยวเนื่องกับเราเราต้องเกี่ยวเนื่อง กับเวลาเราเกิดตั้งแต่วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรปศเท่าไหร่จนมาถึงบัดนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้วเราอยู่ในวัยไหนวัยแรกวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยเท่าจรา จนวัยที่ใกล้จะตายเต็มทีแล้วเกี่ยวกับเวลาหมดทีนี่เวลาไม่ใช่มีไว้ให้เรายึดถือเมื่อเราเข้าไปยึดถือมันก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางเวลาเสียได้ก็คือปล่อยวางจิตที่มันโง่ปล่อยวางจิตโง่ แล้วก็รู้จักเวลาดังนั้นจึงมีภาพปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาคือภาพแห่งกาลจักร ภ, ภาพแห่งกาลจักรก็คือการเวลามันกินสรพสัตการเวลากาลจักรแปลว่าการเวลานี่มันหมนุนกินสรพสัต ทั้งหมดในโลกในจักรวาลนี้มันจะกินหมดกินหมดนี่เพราะเราไม่รู้จักเวลาทีนี้เวลาตัวจริงก็คือโลกมันหมุนข้าวหาดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เมื่อโลกนี้มันหมุนก็ทำให้เกิดเวลาตอน ด้านไหนอของโลกหมุนเข้าไปหาดวงอาทิตย์ก็ทําให้เกิดแสงสว่างทีนี้อีกด้านหนึ่งมันก็มืดดะนั้นมันก็มีแค่สองด้านโลกนี้มีแค่สองด้านด้านหนึ่งมืดเราเรียกว่ากลางคืนด้านหนึ่งสว่างก็เรียกว่ากลางวัน มันมีกลางวันกลางคืนเป็นนาทีเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นศตวรรษแล้วเป็นสิบปีร้อยปีนี่คือเวลาแต่เสร็จแล้วถ้ารู้จักถ้าเรารู้จักว่าเวลาเป็นของไม่มีอยู่จริง เพราะโรคมันหมุนก็ทําให้เกิดเวลาขึ้นมาเมื่อมันเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงแล้วเราข้าไปยึดถือทําไมทีนี้มันเกี่ยวโยงกันหมดเกี่ยวโยงที่ว่าเมื่อเราข้าไปยึดถือเวลาอายุมันก็คือเวลาอายุมันก็เป็นของจริงเมื่ออายุเป็นของจริงขึ้นมาแล้ว ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวกูของกูหมดเพราะเราไม่รู้จักเวลาทีนี้เมื่อมันเป็นตัวกูของกูขึ้นมาความทุกข์มันก็เกิดนี่คือเราอยู่ใต้อำนาจเวลาทำยังไงทีนี้เมื่ออยู่ใต้อำนาจของเวลามันก็มีความทุกข์เห็นไหมมีความทุกข์ เราอายุเท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้วตอนนี้แก่แล้วตอนนี้ผมหงอกแล้วตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วนี่เกี่ยวกับเวลาหมดจะนั่นเวลาเราจะเห็นไดไ้ต้องอาศัยการปฏิบัติตามองค์แห่งอริยมรตมีองค์แปดเช่นเดียวกันแม้าต่เรารู้จักเวลา จิตนี้เป็นยังไงจิตนี้ก็จะอยู่เหนือเวลาแต่เราปฏิบัติตามองค์แห่งอริยมรรคจิตนี้จะอยู่เหนือเวลาเมื่ออยู่เหนือเวลาก็อยู่เหนือความเกิดเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาเกิดว่าแก่เกิดมีความรู้สึกว่าเจ็บว่าตายไม่ใช่กูทางนั้นเลยเพราะวาเวลามันไม่มี เ่เวลามันไม่มีถ้า ต, ตัวกูมันมาจากไหนตัวกูมันก็ไม่มีด้วยมันไม่มีด้วยทีนี้ตามธรรมชาติตัวกูนี้มันเกิดขึ้นมาก็าเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยธาตุที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละอาศัยธาตุอาศัยธาตุดินอาศัยธาตุน้ำอาศัยธาตุลมอาศัยธาตุไฟอาศัยอากาศธาตุ แล้วธาตุที่มีความรู้สึกก็คือวิญญาณธาตุเมื่อวิญญาณธาตุนี้ไม่ได้พัฒนาเราก็มีความรู้เหมือนกันแต่เรียกว่ารู้ตามสัญชาติญาณคุณจะรู้เป็นด็อกเตอร์จะรู้เป็นใหญ่โตโมโหฬารขนาดไหนแต่เสร็จแล้วรู้เหล่านั้น ไม่ชื่ว่ารู้ที่รู้คือรู้ที่ประกอบด้วยอวิชชารู้ที่ประกอบไอ้ด้วยอวิชชาคือไม่ได้รู้ทุกไม่ได้รู้เหตุให้เกิดทุกไม่ได้รู้เรื่องความดับทุกไม่ได้รู้หนทางให้ถึงความดับทุกคุณจะขึ้นไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารไปดาวดวงไหนดวงไหนให้จบหมดทั่วจักรวาล คนก็จะยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมหรือว่าความทุกข์นั้นยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะการที่ขึ้นไปดวงดาวไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารนี่เป็นการแข่งขันความรู้เป็นการแข่งขันเพื่อที่จะเอารัะเอาเปรียบซึ่งชาติต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ คุณจะขึ้นไปหาว่าที่ดาวอังคารมีสิ่งที่มีชีวิตไหมไปที่ดาวดวงนั้นดวงนี้ไปหาสิ่งที่มีชีวิตแล้วคุณไปหาทำไมแล้วไอ้คุณน่ะมันไม่มีชีวิตชีวิตของคนนะุณน่ะที่วิ่งไปหาดวงจันทร์ไปหาดาวอังคารมันเป็นชีวิตที่บรมงโสมันโง่ที่สุดเลย เพราะว่าคุณไม่รู้ชีวิตจริงของคุณคุณรู้แต่ชีวิตที่เป็นสัญชาติญาณเท่านั้นเองคือวิญญาณธาตุแต่ชีวิตจริงเป็นยังไงเกิดมาจากอะไรความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรเราจะดับมันยังไงคนไม่รู้คุณรู้แต่วัตถุวัตถุวัตถุรู้แต่วัตถุด้านเดียวก็เลยคุณจะตายเปล่าถ้าอย่างนั้น จะเป็นชาติไหนชาติไหนภาษาไหนก็เหมือนกันรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ที่ไม่รู้รู้ที่ไม่รู้รู้ที่ยังมืดรู้ที่ยังบอดรู้ที่ไม่ได้เกิดจักขุลงอุตปาธิขึ้นมาคุณรู้ด้วยตาภายนอกเท่านั้นเองแต่ดวงตาภายในของคุณไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นรู้นั้นเป็นรู้ที่เอารัดเอาเปรียบ คนอื่นแล้วก็เอารัดเอาเปรียบตัวเองด้วยแล้วก็เกิดมาไม่คุ้มค่าคุณรู้ได้แต่ว่ารู้นั้นจะต้องไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นคนที่ทํางานที่นาซาบางคนก็รู้เรื่องพุทธศาสนาขึ้นมารู้เรื่องว่าเราเกิดมาทาไมขึ้นมานั้นหลังกลับพอกันที เรื่องนาซ่าเรื่องอะไรต่างๆพอกันทีรู้เรื่องทุกขดีกว่ารู้เรื่องเหตุที้เกิดทุก์ดีกว่ารู้เรื่องความดับทุกขว่าเราจะดับมันยังไงวิธีดับหนทางที่จะดับเราจะปฏิบัติยังไงรู้อย่างนี้มันจะหมดทุกรู้ไปรู้ไปรู้ไปจนกระทั่งว่าความทุกนั้นมันค่อยๆ เจือจางลงเจือจางลงเจือจางลงความรู้ที่อยู่เหนือนโลกความรู้ที่อยู่เหนือนจิตความรู้ที่อยู่เหนือนจั ก, กรวาลความรู้ที่ไม่ ย, ยึดมั่นถือมัน่นความรู้เรียกว่าตินเหนือของความรู้ขึ้นไปอีกทีนี้ความรู้ที่คุณทำงานกับนาซาก็เพื่อที่จะได้หนึง่งได้ยศได้ชื่อเสียงสอง ได้ลาบจาัการะได้เงินได้ทองสามเพื่อที่จะขมขู่ประเทศอื่นนี่มันมีแต่รู้กันอย่างนี้มันก็เลยดับทุกข์ไม่ได้เมื่อดับทุกข์ไม่ได้เป็นยังไงมันก็เลยทุกข์อยู่นั้นทีนี้เมือ่อธาตุดินธาตุน้าธาตุควยธาตุลมอากาศสธาตุดับเมื่อชีวิตนี้มันดับ แต่แล้ววิญญาณธาตุไม่ดับวิญญาณธาตุมันไม่ดับคุณก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนั่นคือเกิดภายนอกเกิดภายนอกวิญญาณธาตุที่เป็นเรียกว่าเป็นเที่ยวแสวงหาที่เกิดนั่นคือภายนอกทีนี้เราพูดว่าวิญญาณธาตุภายในนะ วิญญาณธาตุภายในคือธาตุรู้ธาตุรู้ที่เราเกิดมาแล้วเราจะต้องรู้แต่รู้นั่นต้องรู้จริงไม่ใช่รู้จำต้องรู้แจ้งต้องรู้แจ้งรู้หมดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่ต้องรู้ว่างอัน่ี้ารู้มี มันกล้าวไปยึดถือหมดมีตัวกูมีของกูมีนั้นมีนี่มีโน้นมีหมดแล้วมันก็ทุกข์หมดมันทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทนไม่ไหวทนไม่ไหวมนุษย์ก็ต้องวิ่งเข้าป่าไปหาที่ที่มันไม่มีความทุกข์จนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ ก็จะจะรู้เรื่องอริยสัจสี่ทางนั้นเราอย่าไปเสียใจว่าโอ้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเกิดมาทันแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังพระพุทธเจ้า็ออภัยไม่ใช่ว่าเราจะเทียบพระพุทธเจ้าเนื้อหนังของเราก็เกิดมาจากธาตุสี่เนื้อหนังของพระพุทธเจ้าก็เกิดมาจากธาตุสี่ เนื้อหนังนี่เป็นสิ่งที่มันหุ้มกระดูกระดูแต่เนื้อหนังมันก็ไม่ใช่ของที่มันมีจริงนันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่เราก็ไม่เห็นสุญญตาคือเห็นว่ามันว่างจากตัวตนทีนี้พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตัวจริงนะคือจิตที่สงบเย็นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลาย จิตของท่านที่สงบเย็นแล้วเพราะท่านปฏิบัติตามอริยมรรคเมองค์8แล้วก็เห็นอริยสัจสี่เมื่อเห็นอริยสัจสี่นะก็ดับก็ดั บ, ดบคือดับธาตุต่างๆเสียที่บอกให้ฟังเมื่อตอนภาคค่านั่นแหละว่าหนึ่งรูปธาตุธาตุที่มีรูปจับต้องได้สองอรูปธาตุธาตุที่จับต้องไม่ได้ เรียกว่านามเรียกว่านามหรื อ, อารูปธาตุสนิโรธาตุนิโรธาตุก็คือนิโรธนิโรดนิโรดนิโร ธ, โร ธ, โร ธ, โรธคือธาตุดับมีไวสำหรับที่จะดับรูปธาตุคือธาตุที่มีรูปมีไวสำหรับที่จะดับอารูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปนั่นคือนิโรธาตุ นั่นคือธาตุที่อย่างย่อที่สุดอย่างย่อที่สุดจากนั้นเราก็วนเวียนอยู่แต่รูปธาตุอรูปธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแต่ไม่สามารถที่จะหาธาตุที่ชื่อว่านิโรธาตุเอามาดับสองธาตุเหล่านั้นได้เราก็เลยยึดถือแต่รูปธาตุกับอรูปธาตุอยู่แค่นั้นเองนี่ธาตุที่มากไปกว่านั้น ธาตุดินธาตุน้ำธาตุก้อยธาตุลมนั่นก็คือธาตุสี่ที่มากไปกว่านั้นอีกก็คือธาตุหกรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุก้อยธาตุลมอากาศสธาตและก็วิญญาณธาตุนั่นก็คือธาตุหกจากธาตุหกก็เป็นธาตุสิบสองเนี่ยมันเยอะและธาตุในโลกในจักรวาลนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาจากธาตุตงนั้น ธาตุิศสองก็ธาตุภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าจักกูธาตุโสตาทธาตุคานธาตุจิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุนี่คือธาตุภายในหกธาตุภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสพตพธภพธรรมารมรูปธาตุรูเรียกว่ารูปเสียง กฎกลิ่นรสพอตรพะพระธรรมมารงนั่นธาตุหกธาตุหกที่เป็นภายนอกทีนี้สองสองอย่างรวมกันก็สิบสองธาตุเป็นสิสองธาตุเป็นภาษาบาลีก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะท่านจะปวดหัวเปล่าๆไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราให้รู้จักธาตุให้รู้จักธาตุภายนอกให้รู้จักธาตุภายใน ก็รู้จักวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือจักกุวิญญาณโสตวิญญาณการนณะ์วิญญาณจีวาวิญญาณมาโนวิญญาณกันวิญญาณธาตุคือถ้ารู้ถ้ารู้ก็เกิดถ้ารู้ขึ้นมาแล้วสามธาตุก็ここเป็นอะไรทีนี้มันก็จะเกิดผัดสาเกิดผัดสาแล้วก็จะเกิดเวทนาเนี่ยมันจะเกิดตโตโตโตตตกัตนไปมันดับไม่ได้ เพราะไม่มีธาตุดับไม่มีนิโรธาธาต์อันี้มันอย่างนี้ถ้าเมื่อเราไม่ศึกษาเมื่อเราไม่ปฏิบัติศึกษาแล้วก็เป็นหมันถ้าไม่ปฏิบัติเช่นว่าที่ศึกษากันอยู่เดียวนี้พระสงฆ์องค์เนนที่ศึกษากันอยู่ก็ อ, อภัยไม่ได้ด่านี่พูดตามความจริงจบประเด็นเก้าประโยคแล้วก็ยังไม่รู้อริยสัจ ร, รู้อะไร รู้จำรู้จำไม่ได้รู้จักรู้จำแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งมันก็มืดนะน่ถ้าไม่รู้แจ้งมันก็มืดนนรู้มืดมืดอย่างนั้นเรียกว่ารู้มืดมืดทีนี้เป็นยังไงเอาพอจบปารเรียนก้าวประโยชน์หาความดีความชอบจนกระทั่งเขาตั้งเป็นเจ้าคุณ พอตั้งเป็นเจ้าคุณเลยแบกพัดเปลือนไปทีนี้เป็นเจ้าคุณชั้นธรรมดาเป็นเจ้าคุณชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมตกลงแบกพัดจนตายเลยจนตายนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้เขาคิดว่าดูถูกดูแคลนขออภัยไม่ได้ดูถูกดูแคลนนี่เรียกว่าเรามีแต่เรียนมีแต่จำมีแต่แค่เข้าใจในตัวหนังสือแต่ถ้าไม่ปฏิบัติ ไม่มีทางเลยเอาที่นี้พวกเราพวกเราไม่ได้ไปรเรียนสักนิดหนึ่งแต่เสร็จแล้วเอ๊ะพระทรรมอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยพระทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่ออกมาสอนบ้างอ่ะไม่เห็นออกมาสอนเลยที่ออกมาสอนบ้างก็นิดนิดหน่นอยน่อยนอกนั้นก็ทำธุรกิจกันทางนั้นเลยหาเงินหาทองหายศหาชื่อหาเสียงโอ้ไม่ไหวแล้ว ชาวบ้านเห็นว่าไม่ไหวแล้วชาวบ้านที่ปฏิบัติกันจริงๆเอสร้างวัดกันขึ้นมาเองดีกว่าสร้างวัดให้พระนี่ไม่ไหวแล้วก็เลยรวบรวมกันสร้างวัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมก็สร้างเองกันมากแล้วเดี๋ยวนี้พอสร้างเสร็จแล้วก็เอาพระรูปไหนที่พอใช้ได้นี่มนมามาพูดอหรือว่าไม่มีพระ หาญาติโยมที่เขาตั้งใจในการปฏิบัติพอปฏิบัติจนเขารู้จริงอ่อเชิญญาติโยมมาบรรยายมาอะไรกั น, นรวบรวมกลุ่มกันที่เดี๋ยวสามถึงร้อยก็ได้มาบรรยายกันก็เลยมีสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วทั่วไปที่นี้ไม่เข้าวัดแล้วโยมไม่เข้าวัดแล้วโยมสร้างวัดเองแล้วทีนี้สร้างวัดเองแล้ว ไอ้พระทำธุรกิจกันให้พอเลยทีนี้เรามีวัดเองแล้วอก็เลยออกเว็บไซต์ออกเว็บไซต์เพราะเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากออกเว็บไซต์ว่าจะปฏิบัติธรรมกันที่นั้น ท, นทนี่นี่ที่โน้นทั่วไปหมดมีทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้เห็นนี่การปฏิบัติธรรมก็อาจจะเกลเอก็ได้จากนั้นเราก็จะต้องจับหลักให้ได้ถ้าที่ไหน ไปปฏิบัติแล้วเมื่อไปปฏิบัติไปปฏิบัติก็ดีไปฟังมาก็ดีอะไรก็ดีไม่ได้เอามาปฏิบัติให้ต่อเนื่องมันก่อยข้าวในรูปเดิมนั่นแหละในรูปเดิมนั่นแหละเท่ากับว่ารู้มากยากนานนั่นแหละฉะนั้นต้องต่อเนื่องเว้นไม่ได้การปฏิบัติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนลืมองค์ภาวนาไม่ได้ จะทำงานลืมองภาวนาม่ได้ถ้าลืมองค์ภาวนาขาดสติเมื่อขาดสติสตินั้นก็ไม่ได้ดึงปัญญามาทีนี้มันมีปัญหาพอมีปัญหาขาดปัญญาขาดปัญญาก็เอาอะไรแก้ทีเนี้เอาอะไรแก้มีปัญหาก็คือมีความทุกข์พอมีความทุกข์มันก็เกิดเครียดขึ้นมาทีนี้เออไหนเราปฏิบัติธรรมะ แค่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันก็มีปัญหามีปัญหาทางนั้นหนึ่งปัญหาสงเหตุเกิดปัญหาสมความดับปัญหาสีหนทางให้ถึงความดับปัญหาทีนี้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะเอามาแก้ปัญหาที่ไหนมีปัญหาที่นั้นต้องเอาธรรมะมาดับแต่ถ้าที่ไหนไม่มีปัญหาไม่ต้องดับมันก็ได้เพราะมันไม่มีปัญหานี่ ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือทุกปัญหานะนะั่นแหละคือทุกเน่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกถามความดับทุกสีห่หนทางให้ถึงความดับทุกขอนี่ก็อริยสัจนั่นะแหละมาอีกเอาที่โรงพยาบาลแต่แโรงแต่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็คือเพราะว่าคนมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องสร้างโรงพยาบาลต้องสร้างหมอขึ้นมา หนึ่งเพราะว่าที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทางเนื้อทางหนังโรคภัยไข้เจ็บทางเนื้อทางหนังเกิดกันทุกคนเราต้องมีโรงพยาบาลทีนี้โรงพยาบาลเหล่านี้เราก็รักษาแต่เนื้อแต่หนังกันแต่ไม่ได้รักษาภายในไม่ได้รักษาจิตคนที่จบหมอมาหมอก็เท่ากับว่า เป็นพ่อค้าเป็นนายทุนไปถ้าทำเพื่อหวังที่จะเอาเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะร่ำรวยนั่นหมอที่เรียกว่าหมอที่ไม่ไม่มีคุณภาพเพราะต้องการจะสร้างฐานะของตัวเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองทีนี่ที่โรงพยาบาลก็มีความทุกข์กันหนึ่งโรคสองเหตุให้เกิดโรค 3. ความดับโรค 4. หนทางให้ถึงความดับโรคนี่มันมีแต่โรคทีนี้ไอ้โรคของเรานี่ที่เรามาปฏิบัติธรรมกันที่นี้เราก็มีโรคกันทุกคนคือความทุกข์นั่นแหละเป็นโรคโรคคือทุกทุกคือโรคหนึ่งโรคสองเหตุได้เกิดโรคสามความดับโรคสี่หนทางให้ถึงความดับโรค โรคของพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมกันที่สำนักวิบัติสนาวังสันติบรรพต่จังหวัดพัทลุงแห่งนี้หมอรักษาไม่ได้ไม่มียาที่จะรักษาแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอระหันต์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะรักษาได้ทีนี้การรักษาก็เอาพระธรรมนั่นแหละมาปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติธรรมกันท<ำ> Guys, ุกคนจนรู้จักโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้โรคเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้โรคเรากำหนดรู้ได้แล้วเอได้เกิดโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอได้เกิดโรคเป็นสิ่งที่เราควรละเอได้เกิดโรคเราละได้แล้วคนทางให้ถึงความดับโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่หนทางผนทางที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโรคเพราะฉะนั้นโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้โรคคือทุกทุกคือโรคนั่นแหละโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นโรคโกรธ โรคโรคโรคหลงโรคโง่โรคเห็นแก่ตัวโรคอยากได้โรคอิจฉาโรคลิษยาโรคพอใจไม่พอใจโรคทั้งนั้นเราต้องศึกษาว่าโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้มองเข้าไปข้างในทีนี้ไม่มองข้างนอกแล้วเช่นอกโกรธขึ้นมาอย่างนี้หรือพอใจขึ้นมาโรคมาแล้วโรคมาแล้ว นันโรคทางจิตไม่ใช่หรือว่าโรคทางวิญญาณไม่ใช่โรคทางเนื้อหนังโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้โรคเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้โรคเรากำหนดรู้ได้แล้วเอได้เกิดโรคเมื่อตาเห็นโรคโห้ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นทิ้ม ล, ลดกายสัมผัสใจรู้ธรรมารมขึ้นมา เ, เสร็จแล้วก็เกิด จักกูวิญญาณโธตาวิญญาณกาณนาะวิญญาณสิหวาวิญญาณมโนวิญญาณต่อไปก็เกิดผักษาการกระทบทางตาการกระทบทางหูการกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต่อไปอีกเกิดเวทนาความพอใจเรียกว่าสุขเวทนาความไม่พอใจชื่อว่าทุกขเวทนาได้กล้ากล้ากลัวเรียกว่าอาทุกขมาทุกขเวทนา ข้าวไปยึดมั่นถือมั่นหมดนั่นโรคเต็มแล้วโรคเกาะตัวขึ้นมาเต็มแล้วพอเต็มแล้วก็ข้าวไปยึดถือในสุขเวทนาวิ่งข้าวไปหาเพราะพอใจเพราะไม่รู้จักโรคไม่ไม่รู้จักโรคคือสุขเวทนาสเสวงหาแต่เวทนาเวทนาเวทนาเวทนาหาเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ อา้าวถึงวันสงกรานต์วันสองวันนี้พรุ่งนี้13วันที่13วันสงกรานต์ปิดหลายวันผู้ที่มีเบี้ยมีหอยมากก็ไปต่างประเทศไปทำไมไปหาของแสลงไปหาของแสลงไม่ใช่ไปหายามาเพื่อที่จะศึกษาหรือเอามากินเพื่อที่จะหายโรคนี่เสร็จ แ, แล้วพวกเราก็เหมือนกัน พวกเราที่ไม่ปฏิบัติธรรมเอาไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนน้นไปเที่ยวไปดูคนมากมากไปได้อะไรมาได้โรคมาได้โรคมาตรงนั้นสวยตรงนั้นงามที่นั้นพอใจที่ตรงนั้นไม่พอใจอะไรนี่ได้โรคมาอีกทีนี้เรานี่มาปฏิบัติธรรมทีน่นี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าโรค เป็นอย่างนี้อย่างนี้โรคเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้โรคเรากำหนดรู้ได้แล้วนี่นี่คือโรคโรคแห่งอวิชชาเรามาเพื่อที่จะรักษาโรคคืออวิชชาให้รู้จักโรคเรามาวิจัยโรคมาวิจัยโรคว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยเป็นคนขี้โกรธอากอบเราโรคเป็นคนมีความโลภกอบเราโรค เป็นคนโง่ไม่รู้จักดับทุกข์มีแต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่รู้จักโรคเมื่อไม่รู้จักโรคเอ๊ะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยเรานี่ทำาไมมันเป็นอย่างนี้มองด้านไหนนี่มองด้านไหนตรวจโรคทีนี้ให้ใครตรวจให้อะหมอโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือวิเศษวิโสขนาดไหนตรวจไม่ได้แล้วก็ไม่มียาด้วย ตรวจก็ไม่ได้ยารักษาก็ไม่มีฉะนั้นเราต้องตรวจเราต้องตรวจได้ตรวจเองเป็นหมอเองยาออกมาจากไหนธรรมะฝ่ายที่ถูกต้องเป็นยาเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกโปมิจฉาวาจามิจฉากรมมันโตมิจฉ า, าชีโวมิจฉาวายโม ο, มิจฉาสติมิจฉาสมาธิเอาสิ่งเหล่านี้ไปรักษาโรคเหล่านั้นอันี้เฮตุให้เกิดโรคเอาเราเรียกว่าสมุทัยหมอก็เราเป็นโรคทางกายนี่ไปถึงเอาหมอก็ถามชื่อเสียงอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของของพยาบาลน ะ, ะพยาบาลก็ต้องทําหน้าที่เช็คชื่อเช็ค อ, อ, อะไรพอไปถึงหมอ หมาอก็ ว, วัดความดันวัดความดันเออนี่คนความดันขึ้นตั้งร้อยสองยนี่คนคิดมากนี่คิดมากเป็นความดันสูงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ตัวตื่นเต้นบางทีตื่นเต้นบางทีความดันสูงความดันตั้งร้อยสองอนี่เดี๋ยวมันก็ตายถ้าอย่างนั้นมันจบตายกว่านี้เห็นไหมเมอก็ตรวจแล้ว แต่หมอของพระพุทธเจ้าคือยาของพระธรรมนี่ไปถึงก็ดูดูแล้วเราก็ดูตัวเองขี้โกรธไหมเราขี้โกรธไหมเป็นคนมีความโรคมากไหมเป็นคนโง่ไหมเป็นคนโง่ไหมดูตัวเองว่ามันขาดอะไรฉะนั้นเหตุไดเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์กกนี่แหละคือเป็นยังไง เอถ่ายเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจเราเองเอถ่ายเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอถ่ายเกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเอถ่ายเกิดทุกตอนนี้เรากําลังที่จะละแล้วไม่นานเราก็จะละมันได้นี่เตถ่ายเกิดทุกเพราะเรารู้สาเหตุจะเน้นเตถ่ายเกิดทุกก็คือราคะเอถ่ายเกิดทุกคือโทสะ เอ้แต hey, ่เกิดทุกข์คือโมหะถ้ามันไม่เข้าไปยึดถือในเวลานะ่ะมันก็ไม่โงอดิทีนี้เอาเวลามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูความหนุ่มสาวเป็นกูความแก่เป็นกูความเจ็บเป็นกูความตายเป็นกูเป็นของกูหมดไปยึดถือมันทํำไงจะยึดถือมันทํำไงตัวกูมันก็ไม่มีตัวกูมันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุก้อธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุ ตัรรู้เรากพัฒนาทีนี้พัฒนาตัรรู้นั้นแหละที่หลวงพ่อพูดมาในภาคคำนั่นแหละพัฒนาตัรรู้อ้าวทีนี้คนที่ไม่มีตัรรู้คนที่ไม่มีตัรรู้ไม่ได้พัฒนาตัรรู้อ้โไปนาโอตาไปไรอ้าวไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักโนทางให้ถึงความดับทุกแต่เรานี่ ผิดกับเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันคนเอาเรามาศึกษาเพื่อที่จะรู้ทุกข์ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้วิจัยแล้วเราวิจัยแล้วทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกาหนดรู้ทุกข์เรากำหนดรู้ได้แล้วเราก็ต้องศึกษามันมองด้านในมองที่กายมองที่วาจามองที่ใจมองที่จิต มองที่กิเลสมองที่ตัณหานี่มองเข้าไปมองเข้าไปดูว่าเวลาเป็นของไม่จริงเลยโง่ชัดๆเลยเรานี่เข้าไปยึดถือเวลาต้อเข้าใจผิดทีนี้พอเข้าใจทูกขึ้นมาว่าอ้อเวลามันเป็นของไม่มีแต่ว่าไอ้สตตายว่ามันยืดได้ยุ่นได้มันยืดได้ยุ่นไ ด, ด, ได้เพราะมันไม่มีอะไรนี่อมันเกิดดับอยุยุ่มยืดยุ่นนะคือการเกิดดับ แต่แล้วมันมีอะไรเกิดดับมันก็อย่างนั้นมันเองมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับี่ทุกอย่างมันเกิดดับทีนี้ทําไมมันจึงเกิดดับเพราะมันไม่มีมันไม่มีคืออะไรมันว่างมันว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวตนเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเราก็รู้แล้วว่าเวลามันก็คึงเงาหนาแน่ แสงของดวงอาทิตย์มันมามันทําให้เกิดเงาแล้วก็หมุนไปหมุนไปเงานั้นทําให้เกิดกลางวันกลางคืนที่เรายึดตีขึ้นมาแกเสร็จแล้วมันก็ดับอีกเงาเงาที่มืดมันก็ดับเอา้าเงาสว่างเกิดขึ้นมาอีกมืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีจริงที่ไหนเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรจริงไอ้นี่ตาเรารู้จักว่าอนี่ เงามันก็เป็นของไม่จริงเพราะดวงอาทิตย์มันก็เป็นของไม่จริงดวงจันทร์ก็ไม่จริงโลกนี้ก็ไม่จริงธาตุต่างๆเกิดดับว่างจากตัวตนธาตุต่างๆที่เราอาศัยก็ดีธาตุต่างๆที่เป็นร่างกายก็ดีเป็นจิตที่เป็นนามธาตุก็ดีเกิดดับว่างจากตัวตนนี่ทีนี้ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเราเข้าไปยึดถือยึดถืออะไรยึดถือจุดศูนย์กลางของความโง่คือจิตโง่จิตที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องอริยสัจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามอริยรมรรคมีองค์8แล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาเกิดจิตโง่ขึ้นมาจิตโง่ตัวนั้นเข้าไปยึดถือกายว่าเป็นตัวกูวเป็นของกู ไม่พอไอ้ใครที่ข้าไปยึดถือข้าไปยึดถือไอ้สิ่งที่มันลึกเข้าไปอีกข้าไปยึดถือจิตจิตตัวนั้นเป็นยังไงมันยั ง, งโง่มันยังโกรนมันเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะโรคะมานะอิจฉาทิฏฐิจิตตัวนั้นมันไม่ได้กรอบไม่ได้เราไม่ได้กัไไดกไม่ได้ถูไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเลยจิตตัวนั้นมันก็เลยเห็นแก่ตัว จิตตัวนี้ก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความโง่เรียกว่าอาวิชชาจิตอวิชชาคือจิตที่รู้ที่รู้นั่นแหละไม่ใช่มันไม่รู้มันรู้นั่นแหละแต่รู้ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นร่างกายเป็นกูจิตเป็นของกูจิตเป็นของกูเห็นี้ ส่วนของร่างกายอีกก็มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเทียงกลิ่นรสโวดตาป้าธรรมารมณ์มันข้าไปยึดถือหมดนี่นี่คือจิตที่เป็นตัวกูข้าไปยึดถือหมดก็ข้าไปยึดถือจิตว่าเป็นตัวกูทีนี้มันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่มันมีลูกน้องเป็นกระแสไปเรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุ ป, ปบาทจากอวิชชา จิตที่เป็นอวิชชาคือจิตโง่จิตมือจิตบอดทีนี้เป็นยางไงมันก็ต้องพูดมันก็ต้องทำมันก็ต้องคิดก็เลยกลายเป็นสังขารกลายเป็นสังขารถ้ามันทำก็ทำด้วยกายสังขารมันพูดก็พูดด้วยว่าจีสังขารมันคิดก็คิดด้วยมโนสังขารทีนี้จิตนี้มันโงน่นี่มันโง่มันก็เลยพูดโง่โงก็คิดโง่โง่ ก็ทำโง่โงโง่ด้วยอะไรโง่ด้วยตัวกูคิดก็คิดด้วยตัวกูทำก็ทำด้วยตัวกูพูดก็พูดด้วยตัวกูเป็นอันว่ากูคิดกูทำกูพูดหมดทีนี้กูหมดกูหมดทีนี้มันก็ทำถูกบ้างบางทีก็ทำผิดบ้างคิดผิดพูดผิดทำผิดถูกบ้างไม่มากแต่ว่าก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละยึดมั่นถือว่าเพราะมันบอดมันบอด จิตมันบอดไม่ใช่ตาภายนอกมันบอดจิตมันบอดทีนี้เป็นยังไงอวิชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารพอเกิดสังขารขึ้นมาแล้ววิญญาณคือตัวรู้สึกมันก็เกิดวิญญาณเกิดวิญญาณคือตัวรู้ใครเป็นคุณคนรู้กูอีกนั่นแหละกูเป็นคนรู้กูรู้หมดรู้รูดนู้นนามรู้ รูเวทนาสัญญาฉังการวิญญาณอุรูหมดอุรูหมดนี่แหละความทุกข์มันก่อตัวขึ้นมาจากจิตโง่คือจิตอาวิชาไอ้นี่เมื่อเราไม่พัฒนาวิญญาณธาตุต้องพัฒนาวิญญาณธาตุจนมาเป็นวิญญาณคือตัวความรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ไอ้นี้การปฏิบัติให้รู้แจ้งขึ้นมา ต้องปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดหลวงพ่อก็เลยร่ายยาวตอนภาคคําว่าเมื่อเราปฏิบัติจริงจังสัมมาทิฏฐิสัมมาฉังกับโอสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวะธรมาวายาโมสัมมาตรีสัมมาสมาธินี่เป็นภาษาบาลีฉันั้นภาคคําในคืนนี้เราจะต้องสวด อริยมรรคมีองค์แปดแปลให้เราก็จะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วไปทําความเข้าใจนั้นให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้มันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นไปทําความเข้าใจไปเรื่อยเรื่ไปเรื่อยเรื่อยนี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่หยุดเดินไม่หยุดไม่ใช่เหมือนกับกระต่ายกระเตาเต่ า, านะ่ะเดินไม่หยุดแต่กระตา่ายไม่เป็นไรเราะ วันนี้เดินมากแล้วพรุ่งนี้นอนพักให้่ักวันก็ได้ก็ตายก็เลยจบเดาถึงก่อนไอนีอน้เราก็ต้องพยายามในเรื่องนี้มันมีหมดแล้วธรรมาวายามะก็คือพยายามความพยายามที่ถูกต้องที่ถูกต้องฉะนั้นต้องพยายามไอ้นี่เมื่อเราพยายามไปพยายามไปพยายามไปจนเกิดอริยมรรคนั้นแหละรวมกลุ่ม รวมกลุ่มก็ทำให้เกิ ด, ดวงตาขึ้นมาหรือเปิดตาเปิดตาขึ้นมาเหมือนที่พูดปากํานั่นแหละเปิดตาขึ้นมาก่อนก็คือจักกุ้งต่อปาธินั่นขึ้นมาทีนี้นที่พูดค้างออวัยนะว่าเราวิจัยโรควิจัยโรคว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ไม่ใช่วิ่งหนีทุกนะไม่ใช่วิ่งหนีทุก เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ต้องวิจัยเมื่อทุกมันเกิดเมื่อปัญหามันเกิดต้องวิจัยต้องวิจัยให้ได้มันเกิดมาจากอะไรสาเหตุมันมาจากไหนนี่สาเหตุมันมาจากไหนนี่ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกหนดรู้ไม่ใจให้เราวิ่งหนีหรือว่าให้เรายึดถือนี่ทุกเกิดขึ้นมา ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเกิดทุกข์ขึ้นมาเรายึดถือก็เรายึดถือว่าเอานี่มันทุกข์นี่เราไม่เอานี่วิ่งหนีวิ่งหนีก็คือยึดถือนั่นแหละก็คือยึดถือนั่นแหละวิ่งหนีทีนี้สุขสุขสุขคืออะไรสุขกเวทนาเขาเรียกว่าทุกขกเวทนาตอนแรกก็คือสุขกเวทนาก่อนเราไม่รู้จกักจะไหมสุขกเวทนา ไม่รู้จักวิ่งเหมือนกันวิ่งไปตะครุบวิ่งไปตะครุบสุขเวทนาไปตะครุบเอามาเป็นตัวกูของกูอารู้ไหมว่าสุขเวทนานั้นก็คือทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะมันเกิดดับเพราะมันเกิดดับเพราะมันว่างจากตัวตนเหมือนกันยึดถือสุขเวทนาทางต า, ง ท, างทางหูทางจมูกลิ้นกายใจไปเอามาโกดมารัดเอาไว้ อ, ไอ้าวหายไปไหน่อยแล้ว มันดับที่เอาทุกขเวทนาที่มันเกิดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับยิ่งเกิดทีทีเกิดทีทีมันก็ดับทีทีสุขเวทนาที่เกิดดับทีทีมันก็เกิดดับทีทีอย่างนั้นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับสุขเวทนาก็คือทุกข์ก็คือทุกขเราไม่รู้จักไม่รู้จักธรรมชาติตัวนี้ ก็เลยวิ่งหาสุกเวทนากันวิ่งวุ่นกันไปหมดทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยวิ่งหาจุกเวทนากันเป็นยังไงทีนี้จุขเวทนาพอเกิดทางตาสวยๆงามๆอ้าชอบมันก็ชอบแต่เสร็จแล้วเอาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วจุกเวทนาที่สูงยิ่งๆ่งขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปที่ละเอียดขึ้นไปอะไรขึ้นไปแต่มันก็เกิดดับนั่นแหละ เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาคือจิตนั้นโง่พอจิตงโง่ตานั้นก็โง่จิตงโง่จิตงโง่นั้นก็ข้าไปยึดถือตาตาเป็นกูตานี้เป็นกูเป็นกูเป็นของกูสิ่งที่ตาเห็นกูเห็นไม่ใช่สติปัญญาเห็นแล้วกูเห็นรูปก็เกิดดับไอ้ตาเองก็เกิดดับ ไอจิตโง no. ่นั้นก็เกิดดับโง่กันไปหมดทั้งโขงเลยเห็นไหมทั้งโขงทั้งโขงเลยโง่ทั้งโขงเลยจิตเกิดดับเอาไปเอามาเป็นตัวกูจิตที่มันเกิดดับที่มันไม่มีตัวตนที่มันว่างจากตัวตนไปเอามาเป็นตัวกูเอาจิตมาเป็นตัวกูไปเอาตามาเป็นตัวกูไปเอาสิ่งที่ตาเห็นมาเป็นตัวกู ทีนี้ไปเอารูปมาเป็นตัวกูคือรูปนั่นแหละเอามาเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นกูเห็นไปเอาจักรกูวิญญาณความรู้สึกทางตาเอามาเป็นกูอีกเกิดดับอีกไปเอาปัสสามาเป็นตัวกูการกระทบมันก็ทุกข์อีกไปเอาเวทนามาเป็นตัวกูเอาได้เรื่องทีนี้ได้เรื่องแล้วไปเอาเวทนามาเป็นตัวกูไปเอาจุกเวทนามาเป็นตัวกูไปเอาทุกเวทนามาเป็นตัวกู แล้วทำไว้ไอ้ทุกขเวทนามันก็คือทุกขเห็นยากฉะนั้นต้องใช้ธรรมะที่ละเอียดหน่อยสุขเวทนาก็คือทุกข์เพราะมันเกิดดับมันไม่มีตัวตนไอ้ทุกขเวทนาก็เราวิ่งนี้มันก็เกิดดับว่างจากตัวตนเหมือนกันอทุกขมาทุกขเวทนามันก็เกิดดับว่างจากตัวตนเหมือนกันไม่รู้จักเวทนาเพราะอะไร เพราะไม่รู้จักจิตไม่รู้จักจิตเมื่อไม่รู้จักจิตก็ไม่รู้จักตาไม่รู้จักหูไม่รู้จักจมูกลิ้นกายใจไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเสียงไม่รู้จักกลิ่นไม่รู้จักรสไม่รู้จักสัมผัสไม่รู้จักธรรมาร์ไม่รู้จักการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้จักวิญญาณทั้งหกวิญญาณคือตัวความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่รู้จักเวทนาเป็นยังไงทีนี้ตัณหาเกิดตัณหาเกิดพอเกิดกามติหนาก็วิ่งก้าไปแต่ครุบพอเกิดกามติหนาเกิดเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นขึ้นมาอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน้นพอเกิดวิเพราะว่าตัณหาขึ้นมามันไม่อยากเป็นมันไม่อยากได้มันไม่อยากมี้นี่มันมีแต่อยากกับไม่อยาก หยุดไม่ได้แล้วทีนี้มันหยุดไม่ได้แล้วจากกัณหาก็เป็นอุปาทานแล้วนี่มันไปใหญ่แล้วนี่คือจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึ ก, ไ ม, ไ, กไม่ได้ปฏิบัติตามอริยามรคมนองค์แปดจิตมีที่ไม่ได้ฝึกมันก็คือจิตทุกนั่นแหละจิตทุกนั่นแหละจึงพูดซ้ํำอีกว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกที่ตรงไหนทุกที่จิตนะก็คือ ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกาหนดรู้ทุกเรากาหนดรู้ได้แล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จัดจะรู้แล้วพระองค์จึงย้าที่อริยสัจ ต, ตัวทุกทุกไม่ใช่มีไว้เพื่อเป็นไม่ใช่มีไว้เพื่อยึดถือแต่มีไว้เพื่อเราจะได้ศึกษาเพื่อที่จะได้วิจัยวิจัย อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนี้สู้มันสู้มันว่าอะไรนี่อะไรนี่อะไรเช่นตรงนี้ว่าความทุกข์มันเกิดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เพราะเรากล้าไปยึดมั่นถือมั่นมันกล้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตที่เป็นธรรมาชาติที่มันว่างจากตัวตนเอามาเป็นจิตกู้นี่ทุกข์เพราะความเกิดเกิดอะไรขึ้นมา เกิดความรู้สึกที่มันเป็นกูขึ้นมาเอา้าเช่นว่าเราเดินจงกรมเอ๊ะมันมืดมันมืดเดียวผีจะหลอกอ่ากลัวผีขึ้นมาโอกรูปีไหนผีตัวมันเป็นยังไงตัวมันเป็นยังไงเอา้ามาให้เราเห็น เ, เราก็ดูมันที่ดูมันที่มันครบไหมเอาเอเยวะของผีครบไหมมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมี เมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีพุงเอาพ่อเจร่าทําไมมันไม่มีขาล่ะเอามันไม่ครบมันไม่ครบเราเก่งกว่าที่เราโง่กว่ามันทําไมเอาทีนี้เราก็พิจารณาอีกเนี่ยเอาผี่ไหนต้ามันจริงนะมันหลอยืนอยู่นั้นมันหลอกเราลอกเราเอ้ยมันทําลูกกระตาโตท้าวบาทพระอย่างนี้ เต้าไข่ไก่อย่างนี้อ๋อเอ้ยดีดีดีเก่งนี่แกเก่งนี่แกเก่งนี่แกเก่งกว่าฉันนี่เอาแกหลอกที่เราโอเคยิ้มควันของแกเท่ากับจอบอย่างนั้นเอาเก่งเก่งแกเก่งแกเก่งเอามีขามีแขงมีอย่างนั้นอย่างนี้เอาเอาหลอกไว้หลอกไปไหนวิชาการหลอกของแกมีเท่าไหร่หลอกมาเลยหลอกมาเลยฉันพร้อมตอนนี้พร้อมที่จะดูแกอหลอกตาโต อ้าวกูก็ไม่กลัวหูใหญ่กูก็ไม่กลัววันโตกูก็ไม่กลั ว, ว, น ว, ลวหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จี๋กูชี้ตากันมากูก็ไม่กลัวหลอกหลอกหลอกหอกอ้าวแน้วทำไมไม่หลอกอีกอะหมดแล้วหรือวิชาที่หลอกหมดหมดแล้วนี่ให้มันหลอกไปที่มันหลอกไปที่จิตนี่เราสู้สู้สเราวิจัยแต่แล้วเรามีอวัยวะ มากกว่าผีแล้วเราก็มีสติปัญญามากกว่าผีผีมันไม่มีสติปัญญาอะไรเลยมันโง่มันมีแต่หลอกมันมาหลอกเราเพราะอะไรบางทีมันมาขอส่วนบุญเราแต่บางทีหลอกให้เรากลัวแต่เราบอกกูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงนี่พระกูมันไม่มีนี่กูจะกลัวอะไรมึงอ่ะเพราะกูมันไม่มี เมื่อกูไม่มีไอ้มึงมันก็ไม่มีที่นี่มึงมันก็ไม่มีเหมือนกันแนี่ไปหรอกอะไรนี่เห็นหนี่เดียเพราะฉะนั้นทุกน้ำเกิดให้เรากลัวแต่เราไม่กลัวเกิดให้เรารักเราไม่รักทุกขเวทนาเกิดให้เรารักเราชอบเราไม่รักเราไม่ชอบเราเปลืองพลังเราไม่เอาทุกขเวทนาเกิดให้เรากลัวเราก็ไม่เอาอาทุกขมาจุกกขเวทนาเกิด ไอเราโง่เราก็ไม่โง่เราก็ไม่โง่นี่เห็นไหมไม่ต้องกลัวอะไรที่เกิดความกลัวขึ้นมานี่ตั้งสติทันทีเลยตั้งสติพอตั้งสติแล้วก็วิจัยเลยมันอะไรนะั่นนั่นอะไรมันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเป็นอะไรนี่ต้องรู้มันไอเราจะดับมันยังไงมีสติดึงปัญญามาทีนี้ฉะนั้นนี่เนี่ยเรื่องของความทุกข์นะ ผีหลอกชัดๆเลยไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของปีหลอกชัดๆเลยไอ้นี่นี่เรื่องของความทุกข์อันนี่เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนัย่นแหละวันที่พูดแล้วราคะโทสะโมหะเราจะดับมันยังไงก็ต้องดับที่มันต้องดับที่แต่การดับต้องใช้สติปัญญาใช้ยาของพระพุทธเจ้าที่เราค้นหายาของพระพุทธเจ้าคือนิโรดนั่นนิโรดนั่น เอามาดับมันเอามาดับอนี่เอามาดั บ, าา ด, บดับเหตุได้เกิดทุกข์นะราคะก็ต้องดับโทสะก็ต้องดับโมหะมันก็ต้องดับทีนี้มันหลอกเราหลอกเร า, า, เ ร, าราคะอย่างนี้มันมาหลอกเรานะราคะเนี่ยมันหลอกเราเรามาสวยงามนะพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะรู้นะมาเป็นราคะ เป็นราคาโอ้ยมัน ร, รำกับร้องกันไปๆมามาแก้ผ้าแก้ผ่อนหมดเลยรำต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดูดูดูอันนี้มันราคามึงมันต้องป่วยต้องเปือยมันต้องเน่ามันต้องจบกระปลกไ อ, อ้มาเ้ยมึงไม่ต้องมาหลอกอู้หัวหน้าของมันก็คืออะไรอวิชชา อวิจจามันมีนางราคะมันมีนางโทสะมันมีนางตัณหามาหลอกโรพระพุทธเจ้าให้ยินดีให้ยินร้ายให้ยินดีพระองค์ก็ไม่เอาให้ยินร้ายพระองค์ก็ไม่เอาอก็นางมานก็เป็นยังไงไปนั่งร้องไห้อยู่สามมานนั่นเลยไปนั่งร้องไห้อยู่พระองค์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเสร็จแล้วเอา้าหัวหน้ามาน วัวหน้ามันก็คืออวิชาเอาเอาแบบใหม่แบบใหม่แบบหมเป็นจ้างเป็นมา้าเป็นอะไรมาอะไรก็เป็นยักษ์เป็นมารถือมีดถือดาบอ้ า, อาจะมาฟาดมาควันพระพุทธเจ้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าเอา้ามึงทำดิมึงทํำดิมึงเอาดิมึงเอาดิถ้ามึงจริงมึงเอามันกูมันไม่มีนี่กวาดทูกอะไรกูไม่มีจิตกูไม่มีอะไรไม่มีร่างกายกูไม่มี กูไม่ข่าวไปยึดถือแล้ว อ, องค์ฟันที่มึงฟาดที่มึงแทงที่มึงยิงที่เอาที่เอาทำไม่ได้ยี่ทําให้น้ําท่วมก็ท่วมไปที่ท่วมไปที่มันไม่มีกูแล้วอะไรไปท่วมพระองค์ก็เลยทําเป็นนางตรณีบีบมวยผมนางธรณีบวัดบีบมวยผมก็คือปัญญาอีกนั่นแหละปัญญา อ, อมึงก็เกิดดับทั้งนั้นเนี่พวกมึงไอ้กูมันไม่มี กูไม่มีนะมึงจะเอาอะไรมาทำกูนะทำแบบไหนก็ไม่มีทางที่จะชนะพระพุทธเจ้าได้นั่นคือเขาสมมติเห็นว่ามารที่มาประจนพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสวยงามก็มีไม่สวยงามก็มีนี่มารทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นมารทั้งสามราคะก็คือมารโทสะก็คือมารโมหาก็คือมาร นี่คือมานมานี้ต้องดับให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรมีองค์แปดเสร็จแล้วก็นั่นแหละต้องเกิดดวงตาขึ้นมาต้องเกิดปัญต้องเกิดญาณขึ้นมานี่ญาณ น, นี่ญาณเหมือนที่พูดในขวั่งนี่จําเป็นมากเกิดญาณเกิดตัวรู้ขึ้นมาทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้ว เหตุได้เกิดทุกขราคดตัวฉาโมหะคือสมูไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จูมูไทยคือเหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละสมูไทยเราละได้แล้วนี่ต้องละมันละไอความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดน่ะควรละสัพเพตัมมานาลังอภินิเวศายาจริงทั้งหลายทั้งควงอันไกลไไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตน ก็ต้องละเอ็นไหมต้องละละอะไรละละตัวกูของกูนั่นแหละไอ้นี่ถ้าไม่มีตัวกูของกูมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงแต่นี้ดูไ้ที่จะละไม่ได้จะไหนของกูอย่างนี้กูมีนั้นมีนี่มีโน้นมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีช่องมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะของกูของกูมันเลยมาพ่อมาพ่อใคร มาพอกตัวกูมีก็มีไปที่มีก็มีไปที่เป็นก็เป็นไปที่เ่ยเป็นก็เป็นไปที่นี่มีก็ได้เป็นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีตัวกูมันก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองเอ็นี่อย่าง <c oughs> อาคํากรรของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธตาดมีโดยไม่ต้องมีเป็นโดยไม่ต้องเป็น เป็นโดยไม่ต้องเป็นคืรรมกรอนตอนนี้ม um, e ันไม่มาไม่มาทํำยังไงมันไม่มาก็ไม่พูดคือมีโดยไม่ต้องมีเป็นโดยไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีกูไปเป็นถ้าไม่มีกูมีถ้าไม่มีกูมันก็มาทับถมอะไรเราไม่ได้มาทับถมไม่ได้หรอกมีเราก็ใช้ไปเป็นมันก็เป็นไปแต่ว่ามีก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดมั่นถือมั่นหมดเพราะอะไรเพราะจิตมันว่างจากตัวตนเพราะจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นอนัตตาจิตเป็นสุญตาสุญตาอย่าไปเข้าใจว่าว่างไม่มีนะว่างมีทุกอย่างแต่ว่าไม่เข้าไปยึดถือเพราะว่าจิตมันว่างจิตถ้าจิตไม่ว่างเราควังอยู่อย่างนี้ พอกฟังอยู่โอ้ยมันไปอุดไปอุดอยู่ที NER ่จิตตรงนั้นน่ยมันไม่เกิดไม่ดับไปอุดอยู่ที่จิตมันเต็มหมดมันไม่เกิดไม่ดับแต่นี้เพราะผกฟังแล้วจิตรับรู้รับรู้แล้วก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่เสียงนั้นก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้ตัวรู้นั้นก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้ตัวจิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับกิริยาของจิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับ มันไม่มีตัวตนเมื่อจิตมันไม่มีตัวตนแล้วสิ่งที่จับต้องได้เปลืองเนื้อที่คือร่างกายเนี่ไอ้ตามันก็เกิดดับเกิดดับหูในตอนนี้แหละหูในตอนนี้ที่เราฟังอยู่นี้แหละโ อ, อะ้แล้วก็เสียงที่หลวงพ่อพูดโจตาวิญญาณความรู้สึกทางหูเกิดปัจกาการกระทบขึ้นมาโอ้ประโยคนั้นตรงใจจริงๆเกิดเวทนาขึ้นมา ทั้งหูทั้งเสียงทั้งโสตวิญญาณทั้งปัจจารทั้งเวทนาเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนแต่ถ้าเสียงไม่เกิดดับถ้าหูไม่เกิดดับมันก็ไปอุดหูเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะได้ฝังต่อไปได้ยังไงเสียงมันก็เกิดดับหูมันก็เกิดดับโสตวิญญาณก็เกิดดับปัจจาก็เกิดดับเวทนาตัวนั้นก็เกิดดับ ยึดถืออะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยนี่เรียกว่าสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนตาก็สิ่งทั้งปวงหูก็สิ่งทั้งปวงจมูกลิ้นกายใจก็คือสิ่งทั้งปวงรูปเสียงกลิ่นรสพุทธปรมารมก็คือสิ่งทั้งปวงวิญญาณทั้งหกจักกุวิญญาณโสตาวิญญาณกานะวิญญาณจิต ว, วิญญาณกายาวิญญาณมาโนวิญญาณก็คือสิ่งทั้งปวงพัทธา การกระทบทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจก็คือสิ่งทั้งปวงเวทนาทั้งหกเวทนาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเวทนาทั้งหกเวทนาทั้งสามแล้วก็เกิดหกทางนั่นแหละเวทนาทั้งสามก็คือสุขเวานาทวเวาน า, าทุกขเวทนาอุทกมาสุขเวทนาที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเวทนานั้นก็เกิดดับว่างจากตัวตนที่นี่ ถ้าเรารู้จักว่าจิตเกิดดับว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่าจิตกูจิตต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นไปไม่ได้จิตเกิดดับว่างจากตัวตนนี่เห็นี่มเมื่อจิตมันเกิดดับเห็นจิตว่างดูเข้าไปข้างในเอ้าจิตที่มันรับรู้ที่มันเข้าใจที่มันจำที่มันอะไรนี่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันว่างจากตัวตนเห็นไหม หลวงพ่อจะพูดคํากรนของท่านอาจารย์พุทธทาสพูดไม่ได้เพราะมันดับไปแล้วมันดับไปได้นั่นแหละคือมันว่างจากตัวตนมันไม่ใช่กูแต่ถ้ามันกูแล้กฏดึงออกมาได้นี่ไม่ถึงเวลาที่มันจะออกมามันก็ไม่ออกมามึงไม่ออกมาก็อย่าออกมาดิกูไม่ว่าอะไรมึงเพราะมึงมันเกิดดับมันว่างจากตัวตนนี่แหละคือจิตที่มันว่างจากตัวตนเมื่อจิตว่างจากตัวตนมันก็ดูมาที่ตา ตาก็ว่างจากัวตนหูจะหมูกลิ้นกายจก็เกิดดับว่างจากัวตนเป็นอันว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้ง30บนี่แหล 30. ะ30มสิตาหูจะมู่ลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภชณาภธรรมารย์วิญญาณทั้งหปัจจารทั้งหกเวทานาทั้งหรวมแล้วไอ้สามสบนี้เกิดดับว่างจากัวตนทีนี้จิตมันเห็น จิตมันรู้จิตรู้จิตรู้อ้าจิตนี้มันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมันก็เลยว่างจากตัว ต, วตนเ like. มนื่อมันว่างจากตัวตนไ ม, ไม่ใช่วันหายไปมันเกิดดับมันว่างจากตัวตนมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเองมันเกิดดับแล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยไม่หนักจิตนั้นมันไม่หนักไอยนี่ถ้าจิตที่มีตัวตนกูหมด อะไรก็เอามาเป็นกูเอ้ามันดับไปแล้วดับไปแล้วพอดับไปแล้วก็เอาไปยึดเอามาเป็นกูเป็นของกูอีกเห็นว่ารูปเกิดดับเอาไปเอารูปมาเป็นตัวกูแก่แล้วก็ไปเอามาเป็นตัวกูนอนเจ็บอยู่ไปเอามาเป็นตัวกูจะตายอยู่แล้วก็ยังไปเอามาเป็นตัวกูหน่อยถ้ามันเป็นตัวกูมันอยากตายที่มันอยากแก่ที่มันอยากเจ็บที่เอานี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว ดัง น, น, นั้นเราต้องเห็นจิตที่มันไม่ใช่ตัวกูเห็นจิตที่มันเกิดดับมันว่างจากตัวกูถ้าเห็นจิตที่เกิดดับว่างจากตัวกูก็เห็นตาอูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับว่างจากตัวกูมันเกิดดับนี่มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่หน้าที่ตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นท น, นี้พอดูรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาพธรรมรมมันก็เกิดดับว่างจากตัวตน วิญญาณทั้งหกเกิดดับว่างจากตัวตนปัจจาทั้งหกเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาสามเวทนาทั้งหกมันก็เกิดดับว่างจากตัวตนไปอออะไรมันทีนี้ไปอ้ออะไรขู่ไม่อมออะไรกับมึงแล้วขูไม่อออะไรกับมึงแล้วเลิกกันทีพอกันทีใช้งานมันให้เกิดไปตามธรรมชาติเมื่อเกิดตามธรรมชาติดับตามธรรมชาติแต่ไม่มีขู่มีแต่สุ ญ, ญาตาสุ ญ, ญาตา อานะยตนะภายในก็เป็นสุญญตาอายตนะภายนอกก็เป็นสุญญตาวิญญาณทั้งหกก็เป็นสุญญตาปัจจาทั้งหกก็เป็นสุญญตาเวทนาทั้งหก็เป็นสุญญตาอู้เข้ามาครอบครองแล้วสุญญตาเข้ามาครอบครองแล้วพอเข้ามาครอบครองแล้วเป็นยังไงทีนี้ราคะโทสาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะานิโรธทําหน้าที่นิโรธทําหน้าที่คือธาตุสุญญตาธาต มาทำหน้าที่แล้วตอนนี้เพราะเราปฏิบัติให้เกิดสุญญตาธาตุขึ้นมาที่จิตพอจิตเป็นสุญญตาธาตุขึ้นมานี่เราอย่าไปเอาแต่ธาตุอื่นเลยเราไปดูโน่นก็ได้พระเกศาธาตุมานะธาตุของพระอรหันต์นะไปได้โลมาธาตุมาไปได้อัตติธาตุมาหรืวไปไหว้ไปบูชากันแหมตาไม่เห็นเลยไอ้สุญญตาธาตุที่อยู่ในจิตของตัวเองมองไม่เห็น ไปดูแต่ธาตุภายนอกนั่นแหละดูธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุโน้นไปดูแต่ธาตุอุ้ยพระองค์นั้นแหมเป็นพระอรหันต์ยังไม่ตายเลยเอ็กซเซลีก็ป่วยอู้ยพระธาตุใสแจ๋วเลยใสแจ๋วเลยเป็นอัตติธาตุของพระอรหันต์แล้วทำไมไม่วิจัยไปในธาตุของตัวเองวิจัยไปที่อะไรมโนธาตุที่มโนธาตุคือใจ หือวิจัยไปที่จิตนะว่าโอไอ้จิตนี้มันดํามืดเลยนี่ดํามืดเพราะอะไรเพราะมันมีราคะก็มันมีโทสะมันมีโมหะมันมีราคะธาตุมันมีโทสะธาตุมันมีโมหะธาตุมองอะไรไม่เห็นเลยจิตมืดจิตบอดมันก็เลยทําให้ตาบอดทํำให้หูบอดมันบอดไปบอดเอาสุญญตาธาตุมันอยู่ที่จิตได้ทำไมไม่ปฏิบัติ ไม่กรอมเกราไม่ขัดไม่ถูให้มันสะอาดให้มันผ่องใจแล้วถูถูถูถูถูถูถูให้มันหมดไปเลยยายมันเหลือเนี่ยายมันเหลือแล้วก็โอ้ข้างหน่อยเป็นสุญญตาธาตุเพราะมันไม่กล้าไปยึดมั่นถือมันจิตนั้นอีกแล้วนี่มันกลายเป็นวิชาขึ้นมาจิตนั้นก็กลายเป็นจิตวิชาขึ้นมาเห็นไหมที่หลวงพ่อพูดว่าต้อง เอาสติปัญญาใส่้าไปที่โมหะโมหะก็หายเอาเมตตาก็ไปใส่ที่โทสะหรือเอาอัปปมัญญาคือเมตตาที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเอาไปใส่ที่โทสะโทสมันก็หายแล้วก็เอาอะไรเอาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไปใส่กับที่ราคะ มันก็เกิ ด, ดวิราคะขึ้นมามันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นสุญญาตาธาตุไปหมดทีนี้เรเห็นแล้วสุญญาตาิสุญญาตาธาตุที่เป็นวิชานะเอาไปเป็นตัวแทนอาวิชชาอาอาอาตัวนั้นในหลักภาษาเนอานั้นออกไปพอออาอ อ, ออกไปเป็นยังไงเป็นวิชชาเป็นตัวรู้ขึ้นมา แต่ไม่ใช่กูรู้นะไม่ใช่กูรู้นะอีเดียวไปเป็นกูรู้อีกก็เป็นกูรู้อีกก็เสร็จมันอีกและเสร็จมันอีกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธที่เราภาวนาว่าพุทโธบางคนก็ภาวนาว่าพุทโธบางคนก็ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่าอะไรก็รู้ว่ามันไม่ใช่กูนี่มันรู้ว่าไม่ใช่กูแต่ไอ้ที่รู้ว่ากูนั้นอวิชชา ที่รู้ว่าไม่ใช่ครูนั่นแหละคือพุทธโธเอ็นี้พุทธโธพอเราสวดสวดพุทธโธถึงประโยคนึงพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เกิดพุทธโธขึ้นมาอาวิชาหายปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่เป็นทุกข์ดับหมดพุทธโธเกิด พอพุทโธเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นสัมมาสัมพุทโธทีนนี้สัมมาสัมพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเรารู้ขึ้นมากูรู้เสร็จมันอีกแล้วพอกูรู้ต่นนั้นเสร็จมันอีกแล้วเสร็จมานอีกแล้วเสร็จอวิชชาอีกแล้วกูรู้ถ้ากูรู้ก็เสร็จเสร็จเสร็จไม่มีทางไม่มีทางหรืออย่าไปกูรู้ ต้องปล่อยทั้งผู้รู้ต้องปล่อยทั้งสิ่งที่ถูกรู้เอธารูมานาขาทันตาตะโจอวิชาฉังขานวิญญาณามรู้เพราะเราปฏิบัติตามอริยมร์ก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่กูรู้ไม่ใช่กูรู้ผู้รู้สติปัญญานะี่เป็นผู้รู้ทีนี้สติปัญญาตัวนั้นมาเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้า พุทธูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานออกมาของเราพุทธูกูรู้กูตื่นกูเบิกบานกูโง่โง่หมดตั้งโครงเลยเห็นไหมนั่นแหละมันกูทางนั้นเลยทีนี้ไอ้ตัวรู้ ร, ร, ร, ร, รญญญู้วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุที่ไม่ได้พัฒนาก็คือเป็นวิญญาณกูทีนี้วิญญาณกู ธาตุดินดับธาตุน้ําดับธาตุลมดับธาตุควาดับอากาศธาตุดับวิญญาณธาตุกูไม่ดับไม่ดับเพราะวิญญาณธาตุนั้นไม่ดับเป็นอะไรทีนี้มันก็ไปเกิดอีกเลยไปเกิดอีกแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่มีคนเพราะมันดับหมดวิญญาณธาตุเมื่อเราพัฒนาพัฒนาให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่า กูรู้สติปัญญามันรู้ไอ้สติปัญญามันรู้ถ้าสติปัญญามันรู้มันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ากูรู้ก็ไปยึดมั่นถือมั่นหมดนี่สอนว่ากูรู้กูรู้นั่นแหละมันผิดมากแล้วผิดมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากมากเลยที่นี่ฉะนั้นอย่าไปสอนว่ารู้ถ้าศักแต่ว่ารู้ก็ได้ แต่สักแต่ว่ารู้นั่นไม่ใช่กูไม่ใช่กูสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ากูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไอ้สักแต่ว่านั่นคือสติปัญญาไม่ใช่กูแต่ไม่ใช่ดีแต่พูดว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นจําอันนั้นจําแต่สักแต่ว่ามันต้องมาจากจิตที่เป็นสุญญตา แล้ก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นดูก่อนภายะพระพุทธเจ้าแต่ว่าดูก่อนภายะเมื่อท่านเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อท่านได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินคือภายะที่ไปหาพระพุทธเจ้าวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าพอวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ขอพระองค์ตรง เทศนาให้ข้าพระองค์ควังเธอพระพุทธเจ้าตรัสว่าพายะตอนนี้เรากําลังบินตบาทอยู่คงจะทําอย่างนั้นไม่ได้พายะก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าอาจจะตายเวลานี้ก็ได้อาจจะตายเร็วๆนี้ก็ได้มันบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าข้าพระองค์อยากที่จะควังพระพุทธองค์ เทใจกว้างย่อย่ก็แล้วกันไม่มากก็แก่ย่อยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพายะถ้าอย่างนั้นท่านก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นริมรสก็สักแต่ว่าริมรสมันสักแต่ว่าคือมันว่างจิตมันว่างเมื่อจิตมันว่างไอ้ตามันก็ว่างรูปที่เห็นก็ว่าง ปายะก็เลยสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าจนเข้าใจว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าแล้วก็เพราะว่าจะบวชขอบวชในตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอยังบวชไม่ได้เพราะเธอไม่เคยทําบุญทําทานเรื่องระบุงจีวรนอะไรขึ้นมาไม่เคยให้ทานไม่เคยอะไรเธอต้องไปหาจีวอนมาเนมาบวชไปหาจีวอนมาก่อนปายะก็เลย วิ่งสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าแม่วัวลูกอ่อนที่มันห้วงลูกมันมันก็เลยควิดเอาภัยยัะไร่ไหลแล้วก็ตายตรงนั้นเน่ยเอาสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ากายจักแต่ว่าอะไรเกิดกายเกิดกายขึ้นมาก็กายะวิญญาณเกิดปัสสา เก so right. so so so right. so ิดเวทนาขึ้นมาก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยสักแต่ว่าสักแต่ว่าก็เลยเป็นพระรานตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยนี่สักแต่ว่าก็พระจิตมันว่างจิตว่างภายในพอจิตว่างภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นอะไรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่า รูปเสียงกลิ่นรสปุถพภะธรรมรมวิญญาณทั้งหปัจชาทั้งหกเวทนาทั้งหกที่มันเกิดสักแต่ว่าเกิดดับว่างกากตันตนเกิดดับว่างจากโัตนสักแต่ว่าหมดเลยปายะจึงเป็นพระรพอรหันต์อภาคเช้าเจ้าสว่างแจ้งขึ้นมาพระที่ไปบินทาบาทก็ไปเห็นว่าปายะโดนแม่วัวขิดตายแล้ว ก็มากราบทูลพระพุทธเจา้ากราบทูลพระพุทธเจา้าว่าพายะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมย่อๆนั้นตายแล้วพระเจ้าค่ะแล้วตายแล้วจะเป็นอะไรจะไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจา้จาตรัสว่าเขาไม่เกิดแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระอาหารหันต์เพราะอะไรนี่เรามาคิดดูเป็นพระอาหารหันต์เพราะสักแต่ว่าที่สักแต่ว่าตัวนั้นมาจากไหนมาจา ก, กจิตว่าง มาจากจิตว่างเพราะจิตเองก็เกิดดับว่างจากตัวตนมันสักแต่ว่าจิตจิตเองก็สักแต่ว่าจิตในสติปัฏฐานนั้นมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่จับุคคลตัวตนวเราเก่ากายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนกายนี้ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าธรรมชาติทั้งหมดก็สักแต่ว่า นี่จิตว่างจิตว่างที่มาออกมาในรูปแบบว่ามันสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเพราะมันว่างจากตัวตนนี่ย่นยอดที่สุดแล้วนี้พอเราทำอะไรไม่ได้มันจะตายแล้วยังเหลืออีกอ้าวินาทีมันจะตายแล้วสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ามันปล่อยวางหมด สักแต่ว่าคือปล่อยวางปล่อยวางหมดคนนานาทีนั้นเนี่ยเป็นพระอาราหันต์ขึ้นมาทันทีเลยเขาก็เลยแปลพระอาราหันต์ตายแล้วตายที่ไหนพระอาราหันต์ไม่ตายพระอาราหารนันต์จิตว่างเพราะจิตของท่านสักแต่ว่าจักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมที่ท่านไม่ยึดมัน่นถือมั่นแล้วนั่นจักแต่ว่าดันั้น พระอาหารหันที่เป็นพระอาหารหันในปากงูก็มีในปากงูพระองค์นั้นท่านไปเจริญสมณธรรมในป่ากเจได้รมีงูใหญ่งูใหญ่มาถึงก็กัดท่านกัดแล้วก็กลืนกลืนก็ไปกลืนเข้าไปตั้งแต่ปลายเท้าท่านก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าว่างวางว่างวางวา ง, วางไม่ใช่กูนั่นแหละ จักแต่ว่าจักแต่ว่าวางวางวางวางวางวางวางวางจิตของท่านผมว่างวืดว่างวืดขึ้นมาเล่เพราะวาเสร็จแล้วก็ปล่อยวางหมดท่านก็เลยเป็นพระอรหันในปากงูนี่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกแล้วดับนี่เรียกว่าดับดับทั้งกายดับทั้งจิตดับทั้งลมดับทั้งฉังกานดับหมดทีนี้เขาก็มาแปลว่าพระอรหันเนื้ แปลว่าแปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าดับที่ต้นใต้ต้นสาละดับที่ไหนเปลือกของพระพุทธเจ้าที่ไปดับที่นั้นพระพุทธเจ้าเองเจ้าว่าใจจิตตานะดับที่ไหนดับที่ใต้ต้นสีมหอโพธิพุทธกยานะราคาดับโตชาดับโมหะดับมานาดับทิฏฐิดับตัวกูดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับ นามรูปดับอายตนาปัจจาวทนาตันนาอุปาทานพบชาติทุกดับหมดที่นั้นนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดที่นั้นพออวิชชาสังขารวิญญาณดับก็เกิดวิชาขึ้นมาทีนี้เกิดวิชาเกิดวิชาแล้วเกิดวิชาเกิดสติปัญญาขึ้นมาพวกนั้นมันก็ดับที่แต่ถ้าอวิชชาน่ะมันไม่ดับพอเกิดวิชาเกิดสติปัญญาขึ้นมา อาวิชาดับจังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับเกิดพุดทธโธทีนี่เกิดพุดทธโธเมืเกิดพุดทธโธขึ้นมาพุทธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นั่นคนอื่นก็เปล่งนะก็เปล่งพระองค์งไม่ได้เปล่งเองหรอกพระองค์งโอ้เรานี่เป็นพุโทโธแล้วเลยเราเป็นพุทธโธแล้วเดื๋ยนี่เราไม่เอาอะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วเที่ยวอะ สัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้รู้ก่อนเป็นผู้รู้ก่อนใครทั้งหมดที่ว่าสัมมาสัมพุทธโธทีนี้เกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าเกิดที่จิตพระพุทธเจ้าเกิดที่จิตที่พระองค์ไปนั่งใต้ต้นโพแล้วพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสี 5, ่เห็นขันห้าเห็นปฏิจจสมุปบาท สายดับดับดับดับดับดับับไปหมดพุทโธเกิดจากนั้นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดที่นั้นเกิดที่้าสถานที่ก็เกิดที่ธาต้นโภแต่ธาที่ที่เกิดก็เกิดที่จิตเกิดที่จิตเมื่อจิตโง่มันดับจิตได้ไม่ยึดมั่นถือมันว่าจิตกูมันเกิดจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่เต็มเปี่ยมเกิดที่จิตโง่มันออกไป จิตฉลาดมันเกิดขึ้นทีนี้เราไม่มีจิตเราทุกคนก็มีจิตและพุทโธเกิดที่ไหนพุทโธเกิดที่จิตพุทโธของพระพุทธเจ้าก็เกิดที่จิตและพุทโธของเราเกิดที่ไหนมันต้องเกิดที่จิตเหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติต้องดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูที่จิตต้องดูที่จิต ดูที่จิตดูอะไรจิตเกิดจิตดับจิตว่างตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างนี่รู้มันว่างว่างว่างว่างว่างว่างไปหมดพุทโธเกิดแล้วพุทโธเกิดที่ไหนเกิดที่จิตนั่นนั่นแหละเกิดอะไรสุญญาตาธาตุสุญญาตาธาตุคือจิตว่างเกิดจิตว่างว่างจากราคะว่างจากโทตรว่างจากโมหะจิตว่าง เพราะจิตว่างจึงเกิดพุทโธขึ้นมาเกิดพุทโธโลเกอุปนโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้ากว่าชายจิทธะตะดับไปแล้วก็เกิดพุทโธขึ้นมาที่จิตของพระองค์ที่พุทธกายพุทโธของเราเกิดที่ไหนเกิดที่จิตตัวนี้เหมือนกันเกิดที่จิตนี้ทําให้พุทโธเกิดว่าพุทโธเกิดขึ้นแลพุทโธโลเกอุปนโน พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้โลกไหนโลกนี้โลกไอ้ทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้รู้ได้ด้วยอะไรรู้ได้ด้วยจิตเวลาทั้งหลายก็รู้ได้ด้วยจิตราคะโทวทโมะห์ก็รู้ได้ด้วยจิตสิ่งที่ไม่มีราคะโทวทโมะห์เกิดความว่างขึ้นมาก็รู้ที่จิตฉะนั้นโลกนี้ก็คือจิตนี้แต่มันรูบรวมหมดกี่โลกกี่โลกกี่โลกกี่จักรวาลกี่ ถ้าอะอยู่ที่จิตนี้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นให้รู้ที่จิตให้พุทธโธเกิดที่จิตพอพุทธโธเกิดที่จิตแต่ละโลกแต่ละโลกแต่ละโลกไม่เอาแล้วโลกสวรรค์ความจะบาหมีวิมานอย่างนั้นอู้กูไม่เอาแล้วไอว้สวรรค์โง่โก่อย่างนั้นกูไม่เอาไม่เอาแล้วเนี่ไปเอามันทําะไรไอ้สวรรค์อย่างนั้นเนี่ยสวรรค์ทำกับอะไรบ้านช่องทํากับทอง มีเพชรนินกินดาประดับเปลวเผาไอ้โง่ไอ้จวรรันโง่โงอย่าให้กูเลยกูไม่เอามึงนี่บอกมันอย่างนั้นถ้าไปเห็นจวรรันว่าโอ้บนจวหวันนี่ไปซื้อเถอะจวรรันนะทําไมแพงหรอกสามล้านเองมีบ้านมีช่องมีคาลือฮาร์ดเสร็จแล้วก็ประดับด้วยแก้วด้วยเพ็ดด้วยนินกินดาทั้งนั้นเลยเปลวเผาไปหมดโอ้ไอ้จวรรันโง่โง่ง กูไม่เอามึงมมันมีแต่ก้อนหินมันมีแต่โง่มันมีแต่มายาทั้งนั้นเลยไม่เอากูไม่เอาเทวันกูไม่เอาวิมานดารกกูก็ไม่เอาเทวันกูไม่เอาอะไรก็ไม่เอานิพพานก็ไม่เอามันจึงได้นิพพานไม่เอานั่นแหละมันจะได้นิพพานนิพพานก็คือจิตที่สงบเย็นได้ในปัจจุบันนี้แหละไม่ใช่ไปได้อตอนที่ตายแล้ว นิพพานไม่ใช่ตายกิเลสมันตายราคะมันตายโทสะมันตายโมหะมันตายอาวิชามันดับดับตายหมดพวกนั้นมันตายหมดแต่ทีนี้คนที่ก็ทําธุรกิจก็บอกว่าโอ้นี้หนี้หนี้หนี้คนทำงานคนทําทานใกลทําสามแสนมานั่งข้างหน้าคนที่ทําสองแสนนั่งถัดไป คนที่ทำแสนเดียวถัดไปคนที่ไม่ได้ทำเลยนั่งหลังจุดหลังจุดโ น, น่นนี่ธุรกิจนี่อะไะเดี๋ย ว, วเอาศาสนาเอาธรรมะมาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงอย่าไปหลงพระที่ทำธุรกิจเราต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่เอามาหลงเอามาปฏิบัติ สวรรค์เราก็ไม่เอาอย่าเอามาหลอกเราเลยอันนั้นมันเก็บประตูนี่เก็บประตูนี่เหมือนกับว่าให้ไปดูมหาราชสมบอย่างนั้นเน่ยเก็บเต่านั้นเต่านั้นเต่านั้นนี่เก็บเงินเก็บเงินคาประตูคาประ ต, ไตูไม่ต้องไม่ต้องไปเข้าไปในประตูนั้นประตูนั้นมันมีแต่นรกทางนั้นเลยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปแค่นั้นต้องเข้าทางประตูคืออริยมรตมีองแปดแล้วก็เห็นอริยสัจสี่ ต่อไปเราก็จะได้เห็นขันห้าเมื่อเห็นอริยสัจสี่แล้วก็จะได้เห็นขันห้าขันห้าเดี๋ยวก็จะได้พูดต่อไปพระสัมมาทิฏฐินี่สามตอนตอนที่หนึ่งเห็นอริยสัจสี 4, ตอนที่สองเห็นขันห้าตอนที่สามเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เห็นได้ก็เพราะว่าวิญญาณธาตุที่พัฒนาพัฒนาพัฒนามาวิญญาณธาตุนี่ วิญญาณธาตุถ้าหากว่าเราไม่ได้พัฒนาตายตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีคนนี่ของพระพุทธเจ้าไม่มีคนไม่มีคนใครมันจะเกิดแล้วใครมันจะตายในปัจจุบันนี้แหละมันไม่มีคนมันไม่มีคนไหนคนมันอยู่ที่ไหนแยกออกที่ เอาเนื้อออกไว้เอาหนังออกไว้เอาผมออกไวเอาขนออกไปเอาเล็บออกไว้เอาไปตั้งไปเป็นกองกองกองกองกองไหนไหนไหนคนอยู่ตรงไหนคนอยู ßen, 94, โโ entre, tropical, โโ่ตรงไหนข้าหัวตัวหนึ่งเอาเขาไปทางหนึ่งเอาหนังไปทางหนึ่งเอากระดูกไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปทางหนึ่งหัวใจไปทางหนึ่งปอดไปทางหนึ่งตับไปทางหนึ่งเอาไปห้อยตรงเตียงตรงเตงอยู่เห็นไหมเอาไปถึงก็แขวนห้อยเอาแขวนห้อยเราไปซื้อ เอาเนื้อสันสักหนึ่งกิโลที่ไม่ได้ไปพูดว่าเอาวัวเอาวัวทักกิโลที่ไม่ใช่วัวแล้วนี่มันวัวมันหายไปแล้วหายไปแล้วมันมีแต่เนื้อสันมันมีแต่ตับมันมีแต่ไต้มันมีแต่ลำไส้มันมีหายไปแล้วพวกนั้นนี่ฉะนั้นขอให้เราพิจารณาว่าแยกแยกแยกแยกแยกสังขารคือร่างกายนี้ต้องแยกจับแยกจับแยกให้หมดพอแยกให้หมดไหนกูอยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่ที่เนื้อหนังหนึ่งมีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าคนนี้ติดหนังกันเหรือกูติดหนังพอถึงเวลาพระจะตรวจจบอย่างเนี้ยโอ้ยท่านตรวจเร็วหน่อยเถิดก็รีบๆี่รีบเทศก่อนเทศก่อนตรวจทีหลังตรวจทีหลังจะได้ไปทันหนังพระองค์นั้นท่านบอกว่าอะไรดูทีก่อนที่หนังดูที่ดูหนังทีไม่รู้จักหนังแลยดูหนังอย่างไร ไล้รู้จักหนังที่ตัวเองก่อนดังนั้นก่อนที่จะบวชอุปจาย์จะถอนว่าเจสาผมโลมากนขาเล็บตันตาควันตาโจหนังหนังที่มันหุ้มเนื้อนี่รู้จักหรือยังหนังที่มันหุ้มเนื้อนี่ดูหนังเถี่ดูหนังเถี่หนังในโทรทัศน์มันมีแต่หลอกหลอกหลอกหลอกหลอกเราทางนั้นเลยไอ้พวกนั้นตกนรกทางนั้นแหละไอ้พวกที่มาโกหกกันนั้นตกนรก แต่ถ้ามันอยากจะขึ้นจากนรกมันต้องปฏิบัติธรรมทีนี้เราดูหนังดูหนังนี่ดูเนื้อดูหนังเนื้อมันอยู่ข้างในหนังหนังมันปิดเอาไว้พอตอนที่เด็กๆโอ้หนังนุ่มหน้าอุ้มหน้ากอดหน้าจูบลูกหลานเล็กๆของเราโอ้หนังนิ่มอพอโตขึ้นมาหนังก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นโตขึ้นมาอกีก หนังนี้ก็ตึงแต่งขึ้นมาอะไรขึ้นมาพอต่อไปต่อไปหนังนี้ก็เหี้ยวหนังนี้ก็ย่นหนังนี้ก็เกยไปเองหนังนี้ก็ตกกระานั่นดูได้อย่างหนังนี้ดูหนังนี้ให้รู้จต่ก่อนหนังนี้ก็เป็นอนิจจังหน it like, it like, ังน like, ี้เป no ็นอนัตตาหนังนี้เป็นสุญญตาหนังนี้ว่างจากตัวตนนี่ดูหนังนี้เสียก่อนพอดูหนังนี้ต้องไปดูหนังไปดูหนังโน้นทีนี้ โกหกเราทางนั้นเลยหนังที่อยู่ตรงนี้ก็ยังมองไม่เห็นแล้วดูหนังตัวเองก็ยังไม่เห็นไปดูหนังเพื่อนมันเดนอะไรหนังดารามันยอมันอะไรทางนั้นเลยมันทำให้สวยให้งามมันโอ้ยมันพอกันแล้วมันพอกันอีกมันกดทานั่นทานี่ทานน้นว่ากันไปให้คนอื่นเขาหลงแต่มันเองก็หลงนั่นแหละเพราะว่าจิตมันก็มืดพระจิตมันมืดมันหนาความ ปัหากินด้วยความสวยความงามด้วยทําให้ตัวเองก็หลงทําให้คนอื่นก็หลงอูมันสวยอูมันหลอ่อโอยไหนมันที่ไหนอยากเห็นเหลือเกินในพวกนี้อยากเห็นแล้วอมันท่ามันตายแล้วอมัเฉิเนเฉินเฉินเฉินเฉิน ออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชินนไหนมันหลอดตรงไหนมันโวยตรงไหนดูที่อยากดูอย่างนั้นจริงๆเลยเนี่ยถ้าใครที่ตายสดสดเช่นว่าพวกดารานี่แหละดาราหญิงดาราชายนี่ถ้าเขาอุทิศให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะเอามาเชื้อเองเลยมันโวยที่ตรงไหนเนี่ยทําเป็นกองๆๆาากองอซื้อกลัมังกระจักสามสลูกแล้วเอาพวกนี้ใส่ในกละมังๆๆๆๆใส่ใส่ใ่ไหน มาดูนี่มาดูมาดูมาดูกันมาดูกันไอ้ช่วยมาช่วยดูกันหน่อยที่นี่แต่แล้วก็ให้ดูไอ้ดูพวกเนี้ยดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกด้วยมันรวยที่ตรงไหนเนี่ยรวยที่ตรงไหนหมดเลยหมดสภาพเลยฉะนั้นการดูหนังก็ต้องดูหนังที่ตรงนี้ไอ้รู้จักก่อนว่าหนังที่ตรงนี้ก็อนิจจังอนัตตาสุญญตา ว่างจากตัวตนนี่ทีนี้ถ้าจิตมันว่างจากตัวตนไอ้หนังมันก็ว่างหนังมันก็ว่างเพราะเวลาอยู่เฉยๆนิ่งๆเอ๊นี่อะไรมันขึ้นมันที่จุดดําๆเนี่ยรูปมันไปรูปมันมาอ้าวจุดนานิจังมันขึ้นมาทุกขังมันไม่ขึ้นมาเพราะกูไม่ยึดมันถือมันมึงทุกขังมันไม่เกิดมันเกิดอะไร เกิดอันนีจังเออนี้เลยคือความไม่เที่ยงนี้เลยคือความเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตั inside, ne, saber, วตนแล้วมันม <fireworks> ีตัวตนที่ไหนเ่ยพอเจสบเก่าไปแล้วนี่มันเริ่มพูดแล้วมันเริ่มพูดแล้วอันนี้จังมันเพิ่อเริ่มพูดได้เห็นแล้วนี่ดูมันที่หนังกันดูที่ต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนี่อันนีจังอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนนี่มันว่างจากตัวตนมีอะไร เพราะฉะนั้นทำไมไม่ไปเอาสุญญาตาธาตุไปเอาอะไรมันธาตุหนังธาตุเนื้อธาตุเอ็นธาตุกระดูกของเราก็มีของคนอื่นก็มีแล้วไปยึดถือมันทำไมไม่ควรที่จะเข้าไปยึดถือฉะนั้นต้องปฏิบัติให้เกิดสุญญาตาธาตุขึ้นมาที่จิตเห็นจิตเป็นอนิจจังเห็นจิตเป็นอนัตตาเห็นจิตเป็นสุญญาตาเห็นจิตเกิดจิตดับจิตเกิดจิตดับจิตเกิดจิตดับ ว่างจากตัวตนถ้าเห็นจิตว่างจากตัวตนอวิชชาดับอยู่ไม่ได้แล้วร้อนแล้วอวิชชาตัวนั้นร้อนแล้วเพราะสติปัญญาตเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้เพราะเต็มเปี่ยมแล้วอวิชชาที่มันมาเสแสงเมื่อก่อนเพราะสถานที่นี้มันอยู่ได้เพียงคนเดียวอยู่ได้คนเดียวเขาจัดการว้อย่างนั้นแต่อวิชชามันมาเซก อวิชาคือตัวกูมันมาแทรกแทรกแทรกแทรกแทรกจนจนวิชาอยู่ไม่ได้ทีนี้เราต้องไปเรียนคาถาเรียนคาถาของพระพุทธเจ้าและโอคาถานั้นมาปฏิบัติท่องท่องท่องท่องท่องไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ใกูอันว่าไม่ใช่กูอะไรอย่างที่นั่งอยูน่นี่ที่เดินอยู่นี่ใครมันก็ไม่ใช่กูที่ไม่ใช่กูนี่ต้องศึกษาต้องดูให้มันเห็น ทีนี้พอไม่ใช่กูมันเกิดขึ้นมามันก็ค่อยล่ยทีนี้ไล่ไอ้ตัวกูนั่ น, นออกไปออกไปออกไปออกไปไล่ออกไปจนได้ที่เดิมกลับมาได้ที่เดิมกลับมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาวิญญาณธาตุที่รู้ตามสัญชาตญาณให้มารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาทีนี้ความสงบเย็น ก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีจั ก, กรวาลก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีอะไรขึ้นมามีความสงบเย็นก่อนความสงบเย็นนั้นพระมิลาเลปะที่อยู่ในประเทศทิเบตโอโหลวงพ่อพยายามที่จะทอไปประเทศทิเบตไปดูใครไปดูพระอาราณรูปหนึ่งชื่อว่ามิลาเลปะพระมิลาเลปะไม่ต้องพูดเรื่องประวัติมันยาว พระมีลาเลปะเมื่อท่านปฏิบัติจนถึงความสงบคือสุญญาตาธาตุตนั้นท่านได้ยินเสียงแห่งความสงบท่านก็ป้องหูคือตาเห็นก็เห็นสิ่งที่สงบเพราะตามันสงบเพราะจิตมันสงบออกมาทางตาก็สงบออกมาทางหูท่านคงคงจะรู้ในเรื่องความสงบทางหูก่อน แต่หนเออไอเสียงนะเสียงเสียงนกเสียงกาเสียงคลื่นเสียงลมเสียงอะไรเกิดดับว่างจากตัวตนมีคนแหงค์เขาจะบวชถามว่าเธอไปเรียนอะไรมาจบอะไรมาก็บอกว่าจบกรมศิียปากก่อนประแน่ไอเสียงนั่นแหละประแหน่เสียงน่ะประแหนกดนตรีปแหนกดนตรีของพ่อก็บอกว่าดนตรีเนี่ยเขา เรียนเสียงธรรมชาติเสียงไก่ขันเสียงคลื่นเสียงลมแจ้งอะไรทั้งนั้นเลยแต่เสร็จแล้วให้เราตามต้นเสียงไปจนเสียงว่าไอ้เสียงเหล่านั้นเกิดดับว่างจากตัวตนเสียงเพลงที่เขาบอกโอ้นีนาตาสินแล้วก็มีเพลงมีอะไรอ่เก็บคนที่นั่งข้างหน้าก็ห้าร้อย นอกนั้นคนที่อยู่ข้างหลังก็200 200 200แล้วไปควังอะไรควังเสียงเสียงอะไรเสียงที่มันทําให้ประสาทหูนะมันก็ทําให้มันพอดีกับหูก็ก็เรียนเสียงธรรมชาติมาอไม่ว่าจะเป็นกีต้าไม่ว่าอะไรให้มันพอดีพอดีพอดีกับประสาทหูควังได้เป็นยังไงควังได้วคลื้มเลยนะเคลิ้มเลยนั่น คือเสียงเราเรียกว่าเสียงเพราะเสียงที่เพราะเมันพอดีกับประสาทหูถ้าหากว่ามันดังเกินไปก็ไม่อยากฟังแต่มันเบาเกินไปก็ไม่อยากฟังก็เลยทําให้คลิ้มนะให้คริ้มทีนี้เราก็เสียงเงินเสียทองไปความเสียงอีกทีนี้เสียงดนตรีดังเดิมนะไม่ฟังนี่เสียงนกมันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอยู่ทำอะไรนั้นเนี่ยก็เสียงดนตรี เสียงลมพัดก็เสียงดนตรีเสียงป่ายุกก็เสียงดนตรีเสียงคลื่นก็เสียงดนตรีเสียงคว้าป่าคว้าโรคดนตรีหมดดนตรีหมดแต่แล้วเราไปที่ต้นเสียงต้นเสียงเองเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเอาก็เพราะเมฆสองก้อนมันข้าไปใกล้กันเพราะข้าไปใกล้กันแลยมันมีควายฟ้าทั้งนั้นโดยธรรมชาติมันก็ช็อตกัน พอชดตัน ก, กกด น, นก็ทำให้เกิดคว้าเลบอ่าเห็นรูปแล้วพอทาให้เกิดคว้าผาอ้าวมีเสียงขึ้นมาแล้วนี่เสียงเกิดเสียงดับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะเมฆสองก้อนมันเข้าใกล้กันมันก็เลยทําให้มีเสียงขึ้นมามันคว้าเลบขึ้นมาพอคว้าแลบขึ้นมาก็คว้าร้องคว้าร้องขึ้นมาก็มีเสียง เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่เสรแล้วอ้อว่าเราเพราะเมฆนันแหละก็เพราเมฆนั่นแหละทีนี้เราเห็นว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีถ้าในเมฆมันไม่มีอ่ะแล้วมันจะเอาอะไรไปช็อตกันเพราะมันไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เพราะจิตมีเพราะจิตนี้จิตเป็นกูเพราะหูมีหูก็เป็นกูเพราะเสียงมีเสียงก็กูได้ยินนี่กามจริงจริงมันไม่มีหมดมันว่างว่างว่างหมดเพราะจิตว่างหูก็ว่างเพราะจิตว่างตาก็ว่างเพราะตาว่างตาปัญญาเห็นว่าแล้ว่าแล้มันก็ว่างหูได้ยินเสียงควาร้องควาป่ามันก็ว่างนี่พูดแล้วก็ขำขัน หลวงพ่อไปที่โน่นที่จังหวัดภาคอีสานตอนนั้นไปทําพระพุทธรูปพระพุทธรูปตอนที่ปางปางนี้ปางท่านปางสายญาติเนี่ยทีนี้ตอนนั้นก็ทําเป็นก้อนหินก่อนเอาหินก่อนยังไม่ทํารูปนี้ก็รูปนี้สุดท้ายแล้วรูปน้อนก็ทําที่ไหวแล้วก็ไหวที่ทําเร็วเสร็จแล้วก็มาไหวที่ศูนย์คนจระอยู่ทางทิศเหนือของ ของวัดของภูเขาเนี่ก็ไม่ไกลเท่าไรหรอกนิดเดียวนี่หลวงพ่อไปทำเขาก็เอาหกหมื่นหน้าพันตอนนั้นทนี้พอไปทำหลวงพ่อก็ต้องไปดูงานไปดูงานพอกครั้งสุดท้ายโอ้อย่างนี้จะไม่เอานะต้องเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, าง น, างนี้วันนั้นก็อัดฉีดเต็มที่เลยบอกว่านี้ทํากลางคืนด้วยคืนนี้ให้ให้สองแรงเลยให้สองแรงทํากลางคืน เอาสั่งก๋ยเตี๋ยวมาเลี้ยงกันไปเลยอะไรไปเลยเอาขวนก็ตกพรำพรำที่นี้ก็ตกพรำพรำคว้าก็แลบไอ้พวกนั้นก็กลัวควา้าแลบก็คว้าผ่าเปรี้ยงลงมาบอกเอ้ยมันไม่จริงอย่างนี้ถ้าจริงแล้วทําไมไม่ผ่าตรงหัวข้าประเจ้าละ่ะนี่มันผ่าไม่ถูกเห็นไหมไม่จริงนี่ไม่จริงเราไม่กลัวมันเลยควา้าแลบก็ไม่กลัวคว้าผ่าก็ไม่กลัว บางทีมันมาผ่าเปลี่ยงปแป้งเปลี่ยนแป้งข้างกดตีนั่นแหละมันผ่าไปที่มันผ่าไปที่คือพอดีในตอนนั้นค่อยมันรั่วค่อยที่กดตีที่ใกล้กดตีนั่นแหละมันรั่วพอมันรั่วมันก็วามันก็ผ่าที่ค้อยคว้านี่มันรั่วมันได้ซื้อเปลี่ยงลงมาว่ามันเล่นอะไรกันอีกแล้วพวกนี้นี่เห็นมันอย่างนั้นอย่าไปกลัวมันไปตกใจมันทําไมไปกลัวมันทำไมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่เสร็จแล้วเราเห็นว่าเมื่อสิ่งนี้มันไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีจิตไม่มีจิตว่างเพราะจิตว่างไอ้ฟ้ามันก็ว่างไอ้เสียงมันก็ว่างไอ้แสงมันก็ว่างอะไรมันก็ว่างเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับไปกลัวอะไรมาเนี่ยตายกูยังไม่กลัวเลยมึงป่าไปที่ อย่างมากก็แค่ตายแต่กูไม่กลัวตายแล้วมึงป่าที่มึงป่าที่เห็นไหมท้ามันเลยมึงป่าที่ยังไงมันก็ตายอยู่แล้วแต่ว่านี่เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอาวิชชาดับการปรุงแต่งมันก็ดับคือสังขารดับปรุงแต่งโอ้โตายแตามันผ่าตรงนี้กูตายนั่นมันคิดแล้วคิดแล้วว่ากูตาย วิญญาณความรู้สึกว่ากูตายน้ํารูปองไม่เหลือแล้วอะไรไม่เหลือแล้วนี่มันไม่ตายดิทีนี้มันไม่ตายดิเพราะมันว่างเพราะมันว่างเลยมันดับดับดับดับดับดันี่มันดับหมดอะไรมันก็ดับหมดเลยเอ้ามีงูขึ้นมาเห็นงูแล้วไปกลัวมันทําไมกลัวมันกทำไมงูกลัวทำไมมึงกลัวเราเธออีกด้วยซ้ําไปอย่าเราพอจับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วงูนี่พอเห็นงูกับป่าอย่างนี้เอ้า ม, มาอยู่ตรงนี้ทําไมอ่ะ ไ, ไ, ไ, ไ, ไปไปไปไปอยู่ไอ้พร้นไปอยู่ไอ้พร้นเอาบางทีลงไปบินทา บ, บาดเอาไม่มีเวลาแล้วนะก็ทำยังไงทีนี่เอาไม้ทาเนี่ยเอาไม้ทาไปถึงกดท้าก็ที่หัวพอท้าก็ไปที่หัวเนี่ก็จับคอมันจับคอก็หิ้วร่อแร่ร่อแร่ร่อแร่ไปๆไๆๆไปไปอยู่ทางโน้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นมึงดิ้นมึงเจ็บนะมึงเจ็บนะ เพราะยิ่งจับคอยิ่งแน่นก็ไปเองมึงเจ็บตัวนะอ่าออกมาแล้ก็ไปไปอยู่ทาง น, นู้นนี่อะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่เราทําได้แต่นั้นจิตมันต้องว่างต้องไม่กลัวตายไม่กลัวตายอะไรมันก็ทําได้ทําได้ทําได้หมดทําไมสร้างวัดนี้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ล่ะเมื่อก่อนนั้นลําบากลําบากลําบากลําบากเอา้าให้มันตายที่นี้แหละช่างมัน ถ้ามันไม่รู้มรรคผลนิพพานก็มันตายที่นี้แหละมันรู้เรื่องกันไปนี่ทำไปทำไปทำไปทำไปสู้สู้สู้สู้สู้กันไปเอาเมื่อก่อนมจะหลอ่อเสาจะอีกสองสามวันก็ก็จะยกกฎตีแล้วนะตอนนั้นก็ไปหาไม้กันอะไรกันมีเพื่อนมีหูงช่วยเหลือกันไม้ไม่ได้ไปหาที่ร้านดอกเงินมันไม่มีไปหาโน่นทางทิตะวันตก ไปขึ้นบนภูเขาเอาก็ตัดไม้ทิ้งเอาไว้เขาบอกว่าโอ้ท่านไม่ต้องตัดหรอกอ่าเขาตัดเอาไว้แล้วเพยังจะขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาแกนั่นเองแปลงลงมาแปลงลงมาอ้ยมันลําบากลําบนทุกอย่างแต่เป็นยังไงเราทํางานสนุกทํางานสนุกเนี่ยเป็นสุขพระทํางานนี่ไปเอาไม้กุดจีหลังเรกปลวกมันกินหมดแล้วก็ทําใหม่แล้วนี่ไปหาไม้ ไปกันสิบกว่ารูปแหมไปสิบกว่ารูปทํำยังไงขึ้นไปอ่าขึ้นไปโน้นไปทางติดติด ต, ต, ตะวันตกไปถึงโยอมก็ก็ถามว่านี่พระมา ก, กันทําไมทั้งหลายรูปบอกว่ามาหาไม้เอาไปสร้างกุฏิที่วัดเขาวังเนียงอู้ต้องไม่ต้องท่านไม่ต้องท่านจัดการได้ขึ้นไปข้างบนผมตัดโอาไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเอาเอาเราก็ขึ้นไปได้สำรวจป่าได้ดูป่าได้ ขึ้นไปบนภูเขาอุ้ยที่ตรงนั้นมันมีหมูป่ามันมาทํารังอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสบายสนุกสนุกเแ็จแล้วก็แปลงไม้ลงมาเพราะมันฉันแปลงลงมาแปลงลงมาแปลงลงมาแปลงลงมาที่นี้เป็นอย่างไงพอแปลงไม้หมดที่ตัดก็ตัดไปที่ตัดที่อะไรที่ตัดได้ออกมาทําที่หลังคาอะไรมันก็ไม่มีมันได้แต่เสา แปลงลงมาแปลงลงมาเอ้าที่ข้างล่างเป็นเป็นยังไงดินเหนียวมันก็เปียกๆแฉะๆอยู่อเราก็แปลงลงมามันก็ลึกลงไปตั้งห้าสิบเซนตตั้งเกือบเมตรอะไรอย่างนี้โอ้ยต้องลงมาถอดกันอีกลงมาถอดลงมาถอนกันอีกนี่เสร็จแล้วเราไปกันสิบเอดสิบสองรูปทั้งพระทั้งเนรไปกันเอาข้าวแสนไปเอาหม้อข้าวไป ได้นมไปกับป๋องหนึ่งนี่น้ำตาลทรายก็ไม่มีมันจนนี่ทำยังไงมันยากจนนี่ปลากระป๋องสองสามกระป๋องก็ฉันกันฉันกันพอเที่ยงก็ให้เ네นนหุงข้าวหุงข้าวก็มีกระทบมีกระทบกลางนาหัวหุงข้าวแล้วก็ฉันกันปั่นกันฉันตามมีตามเกิดพอบ่ายขึ้นมาทำ ง, งานหนักกันหิว้วพอหิ้วขึ้นมาก็เ네นนก็ต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนก็องอนมนั่นแหละ นมกระป๋องหนึงเราใสก็ไปน้ำเต็มกาเลยเอาเอาพอขาวๆพอน้ำตาลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่แบ่งกันฉันฉันฉันฉันฉันเดีวฉันได้ไหมพระในเมืองฉันได้ไหมพระที่เป็นราชากรนะพระเจ้าคุณฉันได้ไหมแต่พระนี้ฉันได้เราฉันกันได้สนุกสนุกสนุกดีสนุกดีเอ้ามันจะขําอยู่แล้วทํำยังไงไปถอนไม้ ถนไม้ออกจากที่มันติดอยู่ในนั่นน่ยติดอยู่ในโคร น, นั่นแหละขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็แบกแบก แ, บกแบกช่วยกันแบกทํายังไงนี่มันอาบวงแล้วอาบวงเย็นแล้วมันจะคั่มแล้วแบกแบกแบกที่นี้พระก็อยู่ทางโน้นที่บ้านก็อยู่ทางโน้นเขาก็ชํานานบอกแล้วจะทํายังไงตอก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ทำอย่างนี้นี่ปลูกแพร่ปลูกแพร่ข้าเพราะมันมีคลองขั้นอยู่อีก ปลูกทีนี้ก็พูกแพรกันก็ทํากันเองไงหลวงพ่อทาไม่เป็นเพราะไม่เคยมาเรื่องอย่างนั้นเขาก็ทํากันพูกแพรได้สงแพได้สแพก็โล่งแ พ, ก, งแพกันมาโล่งแพกันมาทีนี้มันจะย่าคําอยู่แล้วโล่งแพกันมาทีนี้ไอนะ้ในคลองในกรองน้ํามันไหลเนี่ยมันไหลออกทะเลน่ะน้ำมันไห ล, ม, ไหลมันก็ไม่ไหลเชี่ยวเท่าไรหรอกก็ก็พอดีพอดีแหละทีนี้บางที่ บางที่มันก็มีเหมือนกับหนองน้ำนะมันลึกมันลึกมันลึ ก, ลกท่วมหัวแล้อ๋อลึกท่วมหัวหลวงพ่อเองก็ต้องเกาะแพเกาะแพมาแล้วก็หายน้ําน้อยๆเกาะแพมาทีนี้เอ้ยทายังไงรองเท้านี่ใส่ไม่ได้ตอนนั้นมันยากจนนี้ใส่รองเท้าอะไรอะ่ะไม่มีหรอกไอ้รองเท้าย e ี่โอทรูย e ี่โออะไรนะมันไม่มีหรอกได้รองเท้าไอ้ทำกับยางรถยนต์นั่นก็ คู่ละเท่าไลยสิบห้าบาท20บาทตอนนั้นสมัยนั้นก็เอารองเท้าเสียบมาเสียบมากับเชือกที่เอามัดไม้นั่นแหละเสียบมาทั้งสองข้างอพอมาถึงหน้าวัดเราก็มาจบที่ทางที่ตรงนั้นอเอารองเท้าเอามันเหลือข้างเดียวีข้างนึงไม่รู้มันหายไปไหนะก็แ่างหัวมันเหลือข้างนึงก็เลยเอาออกแล้วก็วางไว้ในกรงนั่นหลย ไรเจอก็เอาไว้เอะตาเจอสองข้างมองไม่เอากันหรอกทีนี้ก็เดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าเาให้ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเอาไม้ขึ้นตะลิงหมดเอาไม้ขึ้นตะลิงทีนี้เราพระทั้งสิบกว่ารูปทำยังไงทีนี้ทำยังไงก็เลยโอ้รถกลับก็ไม่มีแล้วมันมืดแล้วมืดแล้วตอนนี้มืดอาบน้ําอาบท่ากันอะไรกันเรียบร้อยไม่มีรถกลับ พอก็ไปที่ป้อมตํารวจป้อมตํารวจมันอยู่หน้าวัดตอนนั้นบอกตํารวจว่านี่นี่อาตา ม, มามาทํานั้นทํานั้นทํานั้นแล้วก็ช่วยเอาพระนี่ฝากรถไปด้วยรถไหนที่พอพร ะ, พระที่จะพอจะขึ้นได้ก็คันละสองรูปสามรูปรูปเดียวก็ได้ไปลงที่ในเมืองนี่แหละเทีนี้ก็ได้กลับมากลับมาที่นี้ตํารวจคนหนึ่งก็ก็ถามว่าแม่หลวงพ่อมาทำอะไรไปไหน หลวงพ่อมาหาไม้เอาไปสร้างกุฎที่ที่บนเขาวังเหนียง น, น, นู่นไอ้นี่ตำรวจคนนั้นก็บอกว่าแล้วไม้อยู่ที่ไหนนู่นไม้อยู่ที่ ท, ท่านา้ําที่หน้าที่กลางวัดตรงนั้นแหละที่กลางวัดนั่นแหละผมา็ถ้าอย่างนั้นก็ท่านไม่ต้องมาพรุ่ง น, นี้ผมจะเอาไม้ใส่รถไปแล้วเอามาให้ท่านเองเพราะบ้านของผมก็อยู่ที่หน้าวัดที่ตรงนี้เอง ตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่รู <gens S 1> <im> ้จ <im> ักใครเหล่าเดียวโดดเดียวโดดเดียวไม่รู้จักใครก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรทางนั้นเลยไม่กลัวไม่กลัวท้งนั้นพอเช้าขึ้นมาปีสี่หลวงพ่อก็ตื่นตอนนั้นก็อยู่วัดโกหารสวรรค์อยู่เพราะมาพักอยู่ที่นั้นมาเก้าพรรษาที่นั้นพรรษาหนึ่งพระที่ที่เคยอยู่หลวงพ่อเจ้าคณะภาคท่านก็ต้อนรับอย่างดีแล้ะท่านก็อยากให้ทํานั้นทํานี้ทําโน้นหลวงพ่อก็ทําทุกอย่าง แต่จะให้ไปอยู่วัดบ้านนอกหลวงพ่อไม่ไปอยู่หอวงพ่อจะตั้งสำนักอาทีหนี่พอตอนีสี 4, ่ตีสี่ครึ่งตีห้งพ่อก็มามาถึงทำอย่างไรมาถึงต้องขนทรายขนทรายขึ้นมาบนวัดทางมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีขนทรายขึ้นมาจะต้องรอเสาประมาณจากเม็ดหนึ่งเพราะอีกไม่กี่วันก็จะยกกฎติแล้วรอเสาก่อนรอเสา ร, รอเสา ก็เอาสายนี่เอาสายก็ใส่ก็ในย่ามใส่ในย่ามก็เอาขึ้นมาสะบายสะบายสายขึ้นมาพอหล่อเสาเสร็จอะไรเสร็จพระสมพูริหล่อเสาเสร็จเพรมันเม็ดเดียวนี่หล่อเสาเสร็จก็ลงไปหลวงพ่อก็เดินกลับไปวัดกูหาสวรรค์ไปบินตะบาตตามเดิมทีนี้ไปบินตะบ่านีนี่ความยากลาบากของหลวงพ่อจังหัวมันมันไม่ตายก็ดีแล้วนี่เมื่อมันไม่ตาย ก็ได้มาพูดให้ญาติโยมฟังเห็นไหมนี่แหละกําไรทั้งนั้นเลยมาสร้างวัดนี้มีแต่กาไรไม่มีคําว่าขาดทุนเลยเพราะไม่มีกู้แล้วอะไรไปขาดอ่ะแล้วเราก็ทํางานสนุกสนุกสนุกสนุกฉะนั้นทุกคนเวลาทํางานอ่ะก็คิดว่าทํางานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทํางานอย่าทํางานให้เป็นทุกข์ทํางานไม้เป็นทุกข์ขาดทุน งานที่เราทําก็ข า, าดทุนมันขาดทุนทั้งนั้นเลยแต่เราทํางานสน <view> ุกอมันสนุกวันนี้ทำได้แถวนั้นวันนี้ทำได้แถวนั้นอวันนี้จะต้องขยายออกไปขยายออกไปจะทํำยังไงมันรวดมันเร็วมันอย่างนั้นมันอย่างนี้งานนโยบายมันมันปนมันออกมาปนปอนปนปอนปอนเราก็คิดไปคิดไปทําไปคิดไปทําไปคิดไปทําไปไม่ไม่มีแปลีน ทำงานวันนี้ไม่มีแปลนเลยถนนต้องทำอย่างนี้อินโค้งต้องทำอย่างนี้ศาลาต้องทำอย่างนี้อันนั้นต้องทำอย่างนี้นี่ทำด้วยอะไรเนี่ยทำด้วยจิตว่างทาด้วยจิตว่างแล้วมันก็ทำงานสนุกเลยถ้าเราทำจิตว่างถ้าจิตไม่ว่างโอ้มันอึดอัดไปหมดอะไรมันก็อึดอัดไปหมดถ้าทำด้วยจิตว่างมันเห็นเลยมันเห็นไปว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้ามันมีปัญหาอย่างนั้นก็แก้ไปมีปัญหาอย่างนี้นก็แก้ไปอย่นั้นต้องทํางานให้สนุกมันจะสนุกได้ต้องปฏิบัติทำไปพรางแล้วก็ทํางานไปพรางนี่ทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมมีพระ อ, องค์หนึ่งไปอยู่ในประเทศอินเดียท่านก็ไปจบปรานสีมืง ทา่านก็บอกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสสอนว่าทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมไม่รู้สอนเรื่องอะไรมันไม่ได้หรอกการทํางานโด ย, าาายาการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างโง่ดูแล้วพระ อ, องค์นั้นอยอยก็ยังโง่อยู่นี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมหมดเลยทั้งหมดเป็นการปฏิบัติธรรมหมดไม่มีอะไรเปน็นการปฏิบัติธรรมหมดนี่เราต้องทําอย่างนั้นแม่ต่กินอาหารเกี่ยวอาหาร เกลืออาหารตายอุจจาระปัสสาวะเป็นการปฏิบัติธรรมหมดเป็นการปฏิบัติถูพื้นถูอะไรเป็นการปฏิบัติธรรมหมดนี่เราจะขึ้นมาบนนี้เดินมาก็ปฏิบัติธรรมไม่ใจกูเดินไม่ใ่กูเดินไม่ใ่กูเดินไม่ใ่กูเดินเดินยังไงเดินว่างว่างมันไม่มีกูทีนี้เรายังว่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใ่กูเดินไม่ใช่กูเดินไม่ใช่กูเดิน ก็เสรล้เอ๊ะมันไม่ใช่กูจริงๆวืดขึ้นมาเอาไม่ใช่กูนี่ไม่ใช่กูเนี่ยนั่นทำมาเกิดแล้วทีนี้ต่อไปก็ไม่ใช่กูเดินนี่เดินว่างว่างเดินว่างว่าเดินว่างว่างอีนี้ถ้ากูเดินอวัดนี้มันเป็นยังไงก่อนที่ไม่เคยขึ้นมานี่ไม่เคยขึ้นมาไม่เคยมาที่นี่เลยวัดนี้ข้างบนเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงกูตีมันเป็นยังไงหลวงพ่ออยู่ยังไงอะไรยังไง ถึงแล้ว <créer> ม <noise> <c oughs> <c oughs> well, <c oughs> ันมาถึงแล้วแต่ว่าร่างกายมันยังมาไม่ถึงร่างกายมันยังเดินอยู่อุยมันสูงเหลือเกินมันท้อมันต้องว่าสูงเหลือเกินสูงเหลือเกินทำไมลำบากอย่างนี้โง่นั่นแหลตัวโง่มันบอกทีนี้เดินมาดิไม่ต้องรีบไอ้ต้องรีบมันมันตามหมาตัวกูมันหละตามหมาตัวกูเพราะจิตไอ้ตัวกูมันขึ้นมาถึงแล้วแต่ร่างกายที่เป็นกองกูมันยังเดินอยู่ ตัวกูเดินโอ้ยหอบเหนื่อยเหงื่อแตกพรับๆเลยนั่นเดินกับตัวกูแต่ถ้าเออไม่ใช่กูไม่ใช่กูกเดินว่างๆเดินว่างๆเดินว่างๆอา้าดูนั้นไปพรางข้างทางอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นั้นอะไ ร, ะไรศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปเรียว่าทุกก้าวอย่าง เดินทุกก้าวอย่างภาวนาทุกก้าวอย่างไม่ใจกูไม่ใช่กูไม่ใช่ใกูเดินชา้าช้าก็ว่าชา้าช้าเดินเร็วเร็วว่าเร็วเร็วมันเดินเร็วไม่ได้ต้องชา้ชาช้าช้าช้าช้าช้าไม่เหนื่อยทีนี้โอ้พอมาถึงกว่กประตูโอ้นี่มันอย่างนี้หรือวัดนี้เป็นป่าอย่างนี้หรอกพอมาถึงโอ้นั่นที่อยู่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเราต้องสังเกตถ้าเราไม่สังเกตเดินมาก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยได้อย่างเดียวเหนื่อยได้แต่เหนื่อยอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเดินด้วยความโง่จะได้เหนื่อยแต่ถ้าเดินด้วยความฉลาดได้ปัญญานี่คือการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุกอย่างนี่คือการทำงาน การทำงานเคลื่อนไหวด้วยการยืนการเดินการนั่งการนอนการเขียนหนังสือการใช้ชาวหมองอะไรการทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำงานแค่ตรงนั้นนิดเดียวก่อสร้างทำงานไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตนี้คือการทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนั่นในการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปในการทำงานอย่างนั้นแหละ แล้วมันจึงจะรู้มันจึงจะเห็นเป็นการศึกษาไปหมดเป็นการปฏิบ like ัต <Yes. S 1> ิธรรมไปหมดนี่มันต้องอย่างนี้มันจึงจะได้จริงไม่อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกว่าเราเดินจงกรมอย่างเนี้ยเดินจงกรมพอบอกว่าอ้าวถามพระอ๋พอถามพระอ๋พอแล้วพอพอแล้วเราเดินมาข้าวที่นั่งก็ต้องเดินจงกรมมาด้วยทีเดินภาวนามาภาวนามาภาวนามาแต่แล้วมาถึงก็ข้าวที่นั่ง พอขาดที่นั่งก็นั่งภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปจนกระทั่งถึงเวลาที่หลวงพ่อจะพูดอ้าวก็ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แล้วก็พูดแล้วก็ฟังฟังไปนี่ให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปยายมันขาดยายมันขาดถ้าขาดอย่างนั้นขาดแล้วมันขาดแล้วกูแล้วกูเดินแล้วทีนี้กูเดิน แ, แล้วกูมานั่งแล้วกูมานั่งโู้ยโลงไปทีเน่ยตัวกูมันพูด เราโกนล่งไปทีนั่นกูมันพูดเราไปเชื่อมันทีนี่นั่นเสียท่ามันฉะนั้นอย่าให้มันมีกูแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมาอยู่ที่นี้แหละมาอยู่ที่นี้เรามาพักที่นี้เรามาปฏิบัติที่นี้กวาดขยะก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูข้าวไปห้องน้าห้องช่วมไปถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้จริงที่มันถ่ายออกมา ก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กู ไ, กไอกลิ่นมันโอ้ยเมื่อวานนี่เมื่อทานเข้าไปรู้สึกว่าหอมรู้สึกว่าอร่อยอ้าวนี่มันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยที่มันออกมาอะไรนี่มันไม่ใช่กูทั้งนั้นเลยคือมันอนิจจังนอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนเป็นการปฏิบัติธรรมทางนั้นโอ้ยนี่ดื่มเข้าไปอดื่มอะไรดื่มช้าดื่มกาแควเข้าไปโอ้พอออกมาโอ้เหม็นฉ่ำนะนั่น กรีนก็ไม่ใช่กูไอ้นานั้นก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูทั้งนั้นไม่ใช่กูทั้งนั้นเพราะฉันไม่ใช่กูให้มันชิดๆกับไอชิดกับไปชดิดกับไปชดิดกับไปนั่นแหละสักแตว่ว่าสักแตว่ว่าสักแตว่ว่าไม่ใช่กูว่างจากตัวตนอย่างนี้นี่ให้โยอมทําความเข้าใจแล้วไปปฏิบัติให้ทุกๆุนาทีทุกๆวินาทีทุกๆชั่วโมง เป็นการปฏิบัติทำหมดชีวิตนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเกิดมาเป็นหมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอทางร่างกายมันจะเกิดไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ถ้าวิญญาณมันยังอยู่มันไม่ดับมันก็เกิดแต่ถ้าวิญญาณดับวิญญาณตัวนั้นดับวิญญาณดับโอวิญญาณดับคือความรู้สึกว่ากูดับดังขันดับวิญญาณดับนามรูปดับ บรนดับหมดไม่มีคนว่างจากตัวกูมีแต่ธรรมชาติที่มันเกิดดับว่างจากตัวกูเปลือกเพราะฉะ น, นั้นที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เราพยายามที่ให้เข้าถึงจุดสูงสุดที่ข้างในสุดเสร็จ แ, แล้วไปเจอสุญญาตาธาธาดว่างทีนี้ไอ้ธาตุที่มันมีนี่ยมันห่อหุ้มมันห่อหุ้ม พอหุ้มสุญญตาธาตุเอาไว้เราก็จะต้องเอาผมขนเล็บกวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรร่างกายนี้เนี่ยที่มันเป็นวัตถุธาตุก็ค่ อ, อยแกออกไปแกออกไปแกออกไปไปเจอสุญญาตาธาตุอยู่ภายในเจอสุญญาตาตาธาตุนั้นเหมือนกับว่าเจอดวงแก้วอยู่ภายในนั่นแหละ เจาหลวงพ่อบอกว่าจงรู้จักตัวเองคํานี้หมายว่าพ้นพบแก้วได้ในตัวท่านหานอกตัวทําไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอยากเอาอยากเราไปในดอกบัวมีมณีที่เอกอุด ท, ที่เอกอุดเพื่อนมนุษย์จงค้นหามาให้ได้การจัตุรู้หรือรู้หรือรู้สิ่งใดใดรุวนมาจากความรู้ตัวถูเองเรามาหาแก้ว มาที่นี่คือมาหาแก้วแก้วที่อยู่ในตัวเราที่ดอกบัวนะเมื่อก่อนมันหุบมันหุบแก้วมันอยู่ข้างไหนมันมองไม่เห็นทีนี้พอข้าไปดำน้ำข้าไปเหนโอ้ดอกบัวบานในดอกบัวบานก็มีแก้วอยู่โอ้นี่แก้วที่วิเศษวิโสแก้วอะไรแก้วสุญญตาแก้วพระนิพพานอยู่ที่นั้นฉะนั้นต้องรีบค้นหนาค้นหนาค้นหนา ค้นหาที่นี้ไม่พบพบไปค้นหาที่อื่นแต่ก็ค้นหาที่จิตที่ใจของตัวเองนี่แหละเปลือกมันอยู่ตรงไหนออกออกไว้ค่อยๆแกออกแกออกแกออกแกออกแล้วก็แก้วอยู่ข้างในแก้วสารพัด น, นึกอยู่ข้างในนึกอะไรนึกว่าว่างจากตัวตนทุกอย่างว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนี้ถ้าพบ um แก้วอันนั้นหมด ความท like ok ุกข์หายหมดไม่มีเหลือมาจะกี่ทุกข์กี่ทุกข์ก็ไม่เอาทุกข์จะตายก็ไม่เอาทุกข์จะแก่ก็ไม่เอาทุกข์เจ็บก็ไม่เอาทุกข์รวยก็ไม่เอาทุกข์รวยก็ว่าไม่เอาทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เราได้ศึกษาไม่ใช่มีไว้ให้ยึดถือมีไว้เราไม่ใช่มีไว้เราเป็นนี่เราไปเป็นหมดเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นหมดเอาทุกข์นั่นแหละมาเป็น เอาทุกมาวิจัยเราทุกมาวิจัยว่าทุกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่ไม่วิจัยมีอะไรวิ่งหนีก็เลยทุกออกมาเป็นออกมาเป็นทุกขออกมาเป็นทุกขมันก็ทุกหมดทีนี้ถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมเนี่ยเกิดมาทุกแล้วเกิดมาทําไมเสียชาติเกิดแล้วทํำยังไงปฏิบัติปฏิบัติต ด, ด้วยอริยมรรคมนองแปรแล้วต่อไป pues เราก็จะเห็นว่าโอ้ไอ้ไม่มีทุกเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ จากนั้นการปฏิบัตินิรักวางไม่ได้วางอื่นวางได้วางการปฏิบัติวางไม่ได้จนกระทั่งถึงจิตว่างก็ถึงจิตว่างว่างว่างว่างว่างงว่างหมดว่างหมดไม่ยึดถืออะไรหมดเรียกว่าปรมาอุตรชุญญตาคือว่างจนถึงที่สุดพอว่างถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงกูไม่เอาอะไรเลยโว้ยจิตนั้นก็เป็นยังไงอยู่กับอะไร นอกจากว่าอยู่กับความว่างแล้วอยู่กับความสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นเปรือไม่ได้พอเปรื้นไปอยู่กับความสงบเย็นอีกแล้วนี่อยู่กับความสงบเย็นอย่างเดียวเย็นอย่างเดียวเย็นอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นอยู่กับความสงบสงบสงบอย่างเดียวนี่ความสงบที่ธรรมชาติตั้งต้นให้มาตั้งแต่เป็นข้าวเปลือกแล้เราเอามาปลูก ปลูกแล้วก็เป็นต้นขึ้นต้นกล้าขึ้นมาเป็นรวงองขึ้นมารวงข้าวขึ้นม า, เ, นนานเป็นข้าวอ่อนเป็นข้าวสุกขึ้นมาเก็บเกี่ยวมาเอาทำจนกระทั่งว่ากินได้นี่คือวิญ ญ, ญาณธาตุที่ธรรมชาติก็ใส่มาให้แบบที่ว่าเป็นสัญชาตญาณพอเสร็จแล้วเป็นยังไงวิญญาณธาตุคือถ้ารู้ตัวนี้รู้จนถึงที่สุด พอเป็นสุญญตาธาพอเป็นสุญญตาธาข้าวไปสู่ไปอยู่กับธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้ที่ก่อนที่จะมีโลกมีจักรวาลนั่นแหละมีความสงบอยู่ก่อนก็เลยไปอยู่กับความสงบพอจิตนี้ไปอยู่กับความสงบที่ตรงนั้นเป็นอนุยกเลิกเรื่องโลกเลิกจักรวาลเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วนี่ไม่เอาเปลือกนี้ก็ไม่เอาแล้วมีแต่เนื้อในที่สงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นเป็นธรรมชาติแห็นไหมนี่คือจิตที่กลับไปสู่ธรรมชาติเดิมแท้เป็นอย่างนั้นจำไวด้ดีเอาเวลาของการบรรยายในภาคจามืดจนสว่างนี่หกโมงครึ่งเข้าไปแล้วก็ขอให้ความสุขความเจริญในธรรม จงเกิดมีแก่ญาติโยมผู้มีความกยันหมันเพียนผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงพบแก้วสารพัดนึกที่อยู่ในจิตในใจที่อยู่ในใจกลางดกบัวจงทุกทุกท่านเกิน